พระอาจารย์ครับการนร้ำมาสกา ร, รครับผมท่นรนิญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> พระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบแล้วนะคะพระอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายของปีสองห้าหกแปดแล้วครับพระอาจารย์ครับ <c oughs> ก็เอ่อเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปบินาบาดคนเยอะไหมครับผมก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบสี่กันสี่ร้ยห้าสิบสี่ ทาง บ, บานอีกสองร้อยก็เป็นสองร้อยห้าสิบตอนอรอยห้าสิบครับแล้วฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ครับตอนบ่ายที่นา่ากุฏิก็ร้อยหกสิบรมกับทางบ้าน ก, ก็เจ็ดร้อยโอ้เจ็ด้อย น, นี้มีห0กร้อยตอนเช้าห5ร้อยห้าสิบตอนบ่ายเจ็ดร้อยก็ประมาณพันสามพันสามแล้วตอนนี้ทางนี้ก็ประมาณแปดร้อยครับอาจารย์ครับส <2, 1, S 2> องาันไหนต้นนะ สองพันหนึ่งนะครับอาจารย์ครับอ <laughs> าจารย์ได้ได้ทําประโยชน์วันเดียวเยอะมากเลยครับพระอาจารย์ครับก็เสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันทําให้ไม่ต้องยุ่งยากถ้าจะเอาคนมารวมกันประมาณนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้มีสื่อทุกคนอยู่ที่บ้านของใครของมันสามารถข้ามาทําได้ถ้าสองพันหนึ่งร้อยคนนี้สาลาน่าจะใหญ่มากดูเลยครับอาจารย์ อาจารย์เตรียมตัววันที่สามสิบเอวันที่หนึ่งในคนน่าจะไปใส่บาตเยอะแน่เลยครับอย่างนั้นร เ, เราก็เราก็เท่าเดิมเราไม่ต้องเตรียมตัวตอะไรนั่งเฉยๆครับผมมีคนช่วยจัดการให้หมดคนใส่ก็เข้าใส่ไปคนคนที่เอาออกเขาก็ออกนะครับผมอาจารย์ครับวันที่หนึ่งผมขอโอกาสไปตามพระอาจารย์นะครับวันที่หนึ่ง จันตริมาผมครับรบรอาจารย์ครับอวันนี้ช่วงนี้คนบุ่นวายกันเยอะครับรอาจารย์หลายเรื่องเลยครับผมก็เลยตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าวิธีการเข้าสู่ความสงบครับอยากขอกลับขอปัญญาจากอาจารย์นะครับผมกอวิธีเข้าสู่ความสงบของทางศาสนาก็คือการเข้าสมาธินี่การทำจิตใจให้เร่งให้สงบ เพราะวจิตใจนั่งสบแล้วความวุ่นวายต่างๆก็จะหายไปหมดทําทุกความเครียดอะไรต่างๆนี่ถ้าเปรียบเทียบจิตเหมือนกับจอโทรทัศน์เนี่ยเวลาเราเปิดจอมันก็เป็นภาพวุ่นวายหมดออกตีกันยิงกันอายกันพอเราปิดปั๊บปิดจอปิดโทรทัศน์ปั๊บเนี่ยจอก็ว่างเหลือแต่จอเปล่าๆนั่นลักษณะจิตที่สงบจะเป็นอย่างนั้น ไมมีเรื่องาอราวทั้งสิ้นอยู่ในจอของจิตมีแต่ความว่าเแล้วก็ความเย็นเล้วอ็ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนนี่แหละคือความว่างที่าศาสนาสอนให้เราเข้าถึงกันมีสองสองระดับระดับชั่วข่าวแล้วระดับนื่งยืนท่ามอขั้นใกล้ๆทำแบบชั่วข่าวก่อนคือเข้าสมาธิ ถ้าเข้าสมาธินะครับต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มมึนวาย mm. ก็ใช้ปัญญาตัดความมึนวายออกไปแต่ไม่ต้องปิดจอสามารถอยู่กับความอยู่กับภาพได้โดยที่จิตใจไม่ได้มึนวายไปกับภาพที่ได้สัมผัส น, นับดูนั่นคือการปัญญาเช่นกันตอนนี้คือเราต้องมาฝึกสติว่าสตินี้เป็นตัวที่จะผูกใจให้อยู่กับ เอาลงที่เรียกว่ากรรมฐานถ้ามีสติและภูมิใจให้อยู่กรรมฐานได้จิตก็จะไม่สามารถคิดนั่นคิดนี้ได้พอไม่อคิดทัปยับหนึ่ ง, ง ม, มันก็จะหยุดคิดมันไม่อยากน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการฝึกสติในการทําสมาธิก็คือการเจริญสติจิตต้องมีสติคือการละเลิกได้อย่างต่อเนื่องอยู่กับเรื่องเดียว ที่อยู่กับารทำงาพุโทโธที่อยูกับการดูลมหายใจเข้าถ้าสามารถผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานยต่อเนื่องได้ภายในหานาทีจิตังน่งิ่สงบได้แต่ปัญหาคือส่ญญวนใหญ่เราจะผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ไม่เกินห้าวินาทีอยู่กับพุโทโธพุธโทโธได้ไม่ถึงหาวินาทีก็แบไปคิดดงนั้นวไปคิดเง น, นี้แล้ว เราก็จะรู้สึกตัวเอาทียาวเลยก็มีสิบนาทีก็แล้วอ่านไปที่นั่งสมาธิท้องนานทำไมไม่สนบสักทีก็มันไม่ได้นั่งอยู่กับกรรมฐานมันนั่งอยู่กับความคิดนีน่นนแซละเปนประเด็นสำคัญก็คือการมีสติที่สามารถผูกใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ได้ส่วนใหญ่ถ้านั่งแล้ห้าวินาทีสติหายไ็แล้วไปกับเรื่องความคิด แล้วสตินี้ยังอกอนมากต้องพยายามฝึกสติก่อนนี่ยะไปนั่งวพราเราสามารถทุกสติได้ทั้งวัตั้งแต่แตื่นจนหละพยายามใช้เวลาที่เรายัางไม่ได้นั่งสมาธิมาฝึกสติก่อนให้สตินี้กำลังม า, มากพอเวลานั่งสมาธิอาจจะมีสติอยู่กับกรรมฐานได้นานกว่าห้าวินาทีนะอาจจะไร้สิบวินาทีสิบห้าวินาทีนี่ ในนาทีหนึง่งมนกอยู่ได้ขนาดนี้มันมเ็ย่มสบายกับคว า, า, ามรู้สึกเบาเย็นสบายขึ้นแต่ถ้าจะให้มันนิ่งสงบมันปิดจอท่อท่านนี่มันต้องต้องสีห้านาทีขึ้นไปตอเนื่อ ง, มอองมอไ ม, ม่ยืมเงินไม่ยืมบุญอะไรทั้ส้นอันนี้ก็คือง่ายๆละการของการทําสราที่มันง่ายทามาทำาง่าย การปฏิบัติมันยากอง์าการทีจ่จะสามารถมีสติสัมปัจชัญญาหรือแม้ขาดตอนได้ห้านาทีนี่มันไม่ได้เป็นของง่ายไม่ใช่เราทำดูนะแต่ให้อยู่ว่ามากอเราเราจลันสติอยู่กับกรรมฐานดูพออยู่น อ, อ, อยู่ได้สักกี่นาทีไม่กี่นาที อยู่ในครับเดียวครับอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่จะได้สมาธิบ้านตั้งเป็นนั้ดวนเป็นพูกที่ไม่มีาภารกิจการงานทาโลกราใจความคิดถ้าใจความคิดม า, มาปฏิบัติท่านปฏิบัติสมาธิมันขัดกันทา ง, ทางโลกการทำ า, ก, า, ทากินนี่มันก็ต้องเคลีอยู่ตลอดเวลาตอนจะมาหยุดความคิดในหมัยกับพยายามจะหยุดนราเยวิงของเขานี่อือ ถ้าไม่มีเบรกหรือเบรกไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้เบรกก็คือสติของเราดังนั้อนส่วนใหญ่ที่ต้องการสมาธินี้ต้องไปวกันน่ะถึงยู่ในสมาธิกัวแล้วก็ต้องไปบวชไปพระป่าด้วย่ไม่ไมทำพระรักเกแบบพระพระักิกอย่างนู้นให้นบางสังสมสวดไปรับเกตน่นต์ไปรับประาณศพไปสวดศพไปอะไรนั่นสิ เลาที่เาต้องใช้ความคิดดราต้องเอาสังคมนึเกี่ยวข้อค้นน้อยคนนี้เราจะบอ่านี้ต้องไปไปมิเวีอยู่คนเดียวในป่ารออยู่ในวัดป่าที่ก็จัดสถานที่ให้เราอยู่คนเดียวมันรวมกันยาวะวลาที่มันทำภารกิจที่จาเป็นเช่นมามาเป็นต่านมาฉันมาทำเทศทำธรรมที่อย่างมังกรั่นนอกจากจะยากขึ้นไปอยู่ตามุตตามที่พระองคตน ก็นั่จงกรมนั่งสมาธิเพื่อจราญสติขณะนี้ขนาดเท่นา น, านี้ไม่ใช่ยล้ว่าจะได้กังทุกองค์อาจจะได้บางคนก็หลายปีด้น ะ, ะเป็นบุญเก่าเป็นการปฏิบัติภาวนามาก่อนด้วยไหมครับ<ค><ะ>อาจารย์ก็มีส่วนถ้ า, าบางคนมีบุญเก่าเยอะนั่งสมาธิทั้งร่ากจี่ก็บรรลุให้ถึงเราบอรลุใเป็นผู้ที่มีดีมาก อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กอยู่ตามลำพังนาอยู่ปลายใต้คนไม้วันนั้นพวกพวกพวกบวบบววานที่คอยเฝ้าพร้อมน้องต้องไปทำารกิจอะไรในปล่อยให้ร้มาทักอยใต้ต้นไม้พนพังเพียงลำพังคนองเดียวเพราะไม่มีรมาหอบน้องมีใครมาเด่นมกิให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเ่นกิจที่มันไกลสงบมันงด กาี่อะไรว่ากายวิเวกจิตวิเวกขอให้กายวิเวกก่อนกายต้องอยู่ตามร่างทำถ้ามีบารมีเก่ามีสติเยอะไม่มีอะไรมาชวนให้คุยให้คิดมันก็เด้งวนไปโดยอัตโนมัตินอกจากนั้นแล้วก็ต้องมาต้องมาสร้างสติกันไมอยู่คนเดีย ว, วคิดแล้วก็เหงาคิดถึงคนนั้นคิดถึงวันนี้น ทิงเล้อยากอยากไปทำโน่นทานี่มันไ ม, มก่กระจายที่เฉยๆได้ยันอยาเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกสติให้มากกว่าถึงยังนัางเราจะอาจจะได้สัมผัสกับผลมากอาจจะไม่ถึงระขัานลมจิตลมอย่างน้อยก็ได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต่ความแบวก่อนด้วย่างนี้และสัมบัิกับความรู้สึกที่เบาลงใจแรงขึ้น พระอาจารย์ครับมีคนถามมาบอกว่าแล้วถ้าจิตใจฟุ้งซ่านมากๆเลยควรจะเริ่มต้นอะไรเป็นเริ่มต้นอย่างไรเป็นลดับแรกครับก็อย่างที่บอกต้องฝึกสติทั้งวันต่ออย่าให้คิดแล้วน้องคบที่ให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนต้องหาเวลาไปไปเปิดวิเว่เช่นสาวอาทิตย์วันหยุดเ่หยุดหาวันเนี่ยแล้วคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะเป็นจอบที่พระอาจารย์าานที่ปฏิบัติทำ นั่นก็ไปอยู่คนเดียวอย่างที่บรร่าคนนี้ก็มีของที่ไปอยู่กับพระก็มีนั่นก็อยู่กับบ้านพับป่าไม้เขาก็มีให้อยู่ให้พู้หญิอยู่ได้อยู่คนเดียวหลังนี้อยู่คนเดียวตาอลำพังไม่ทางเดมกลมอยู่ในกุเตะอยู่ข้างๆกตะอยู่ม่นังยุ่งเกี่ยวใครไม่ได้เห็นกับใครไม่ได้เอาบ้านทำกิจกรรมอะไรสิ่งให้อยู่คนเดียวนคนที่เขาทำสมายที่ได้ พอจะนั่งได้ถึงก็ยจะไม่โดนแต่ก็ยังนังได้ถึงครื่องจะโดนชั่วโงหนึ่งยังไม่ถึขั้นโดนแต่ตอนั้นถึงเครื่อเบาบางลงรู้ส่าน้อยลงคิดน้อยลงเขาก็จะมาหาที่แบบนี้ครับถ้าไม่มีที่วิเวกมันลำบากถ้าการไม่วแบบิเวแล้วจิตมันจะมิเวกนอย่างๆว่าจะอยู่กับคนนนคนนี้ชอบไม่คยุยก็แต่กว่ า, วาแล้วเป็นไรเนอะ ครับ้าป่าวทีก็เปเหมือนเขที่นี่ันั้นต้องฝึกสติก่นถ้าถ้าถ้าจะมานั่งมานั่งได้ถ้าดูรไม่นด้คู้มอไม่น่าก็ใช้การฝึกสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนบางท่านก็ใช้การทำธรรมบางคนรบาว่อความธรรมะของเราแล้วนั่งไปทั้งนระองคเจิตก็เบาลงเย็นง ไแต่ยังไม่สงบเราเป็นสมาธิได้ต้องทําต่อก็รู้สึกจิตเบาลงเย็นลงแล้มีสติพอที่จะกลับกับให้อยู่กับลมหายใจได้เรียูกับพุทโธได้ก็ปิดเสียงทาเสียงแล้วมาดูล ง, งต่อมีความบริกรรมพุทโธต่อถ้าตอนเริ่มต้นมันทุกงซ่านดูลงไม่ได้บริกรรมพุทโธรไม่ได้ก็ต้อง ใช้การฟังทําไปก็ได้หรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามจากท่านอื่นมากครับพระอาจารย์ครับคุณแว่นครับบอกว่าหมอพยาบาลเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายที่โรงพยาบาลทุกวันถามมีโอกาสได้มาเรียนทำสมาธิวิปัสนาด้วย แล้วหมอพยาบาลจะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วกว่าอาชีพอื่นหรือไม่ครับคุณนมองดูเลยหมอตอบเลยครับข้าจัดให้ข้าจะไปยัดดามให้ข้าจะไปยัดดามใั้ผมปัญญาหน่อยครับอาจารยครับไม่กล้าตอบแทนพระอาจารย์ครับมันก็อยู่ที่ป้าไม้กันแล้ว ถ้ามีความตั้งใจงอยากจะศึกษาอยา่างกริีแบบเป็นคุณหมอเป็นพยามาลนี่มีโอกาสที่จะมีดวงใจรับนรลุธทําได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาก็ อ, อย่างน้อยได้อย่างน้อยได้ไ ด, ได้จิตตาเมตตาปัญญาได้ได้สุดธรรมเมตตาปัญญาได้เห็นสัจธรรมความจิงเกิดเกิดอยากเสียชีว อ, อ, อ, อ, อยู่ทุกวันเพแต่าว่ายังไม่เห็นทุกข์เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราของร เห็นคนไข้แต่เราไม่รู้ว่าคนไข้วัตถุกระดาษไหนที่เราไม่รู้แต่ถ้าเป็นเราโอกาสที่จะเห็นทุกนี้ถ้าจะทำงานจริงมั่มากกำลังจะกระตุ้นให้เราไปปฏิบัติเพื่อให้เราดับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่เจ็บตายให้ไดแล้วแต่จิตขงแต่ละคนว่ามีมีปฏิกิริยามากน้อยเท่าเท่าไหร่ อยาระทเจ้าตอนที่เป็นเจาชายสิทธัตถะเนี่ยเพื้อจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ่นนี้ก็จิตใจก็หวานไหนจมจนกระด้างเปลี่ยนความรู้สึกแล้วเมือ่อก่อนนี้ไม่เคยเหนคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยจอแต่เห็นคนดนมคนสาวเวลาคิดว่าชีวิตนี้จะเป็นไปแ บ, บ้เป็นกลีบดอ บ, บั s ไอ้กลีบดอกกุหลบมีแต่ความหวานชื่นมีความสงบเพลิดเพลินไป พอวันหน่งแมย์คนแก่คนเจ็บคนตายนั้นทราบว่าตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นขึ้นมาดังนั้นความทัศนะคติที่มองโลกในแง่ดีนั้นหาใหมดแล้มันเห็นความจริงที่จะต้องตามมาต่อไปในไม่มีความสุขที่จะอยู่แบบนั้นอีกต่อไปถึงแม้จะมีประสาทสามเรื่องนี้ให้หรือมีรูปสเสียงกีนและไทยเสดได้ตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่าเรเป็นของที่จะต้องหมดไป เมื่อน่างกายเรื่องข้อสูงความแก่กความเจ็บความตายมันก็เลยคิดถางทางว่าจะต้องไปแก้ปัญหานี้นะก็เคิดว่าเป็นนักบวชก็ได้ยินว่านักบวชเนี่ยนะเป็นผู้ที่จะไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะไดแก้ปัญหาของความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บควาตยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไปก็จะมีโอกาสต้องมีเจตนามีความตั้งใจ เห็นทุก่อนนะเห็นทุกในร่างกายเมอต่อไปร่างกายของเราต้องแก่เจ็บตายแต่ถ้าเป็นหมอล้วทํางานทุกวันนี้ไม่ใครพิจารณาย้อนกับมหาตัวเองเลยก็ไม่เห็นแต่มันจะอยู่กับคนแก่คนเจ็บคนตายเชื่อวหมหมอส่วนใหญ่ไม่ได้คิดหรือว่าตัวเองก็ต้องแก่เจ็บตายดูคิดก็อาจจะคิดไม่ได้คิดแบบแบบว่าซีเรียสคิดแบบไม่ไม่คิดแบบเอาจริงว่าจะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้จริงๆจะทำไง่ะ ถ้าคิดซีเรียสมันจะต้องดิ้แะนแะล้วะหาทางหวังอันนี้ยังประมาทอยู่ยังประมาทในวัยคิดว่าตัวเองจะไม่แก่เพราะประมาทในสุขภาพที่มตัวเองไม่เจ็บไข้แน่ปวดประมาทในชีวิตที่ว่าตัวเองจะอยู่ไปเรื่อยๆในบางคนต้องไปเจอเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเจออุบัติเหตุหรืออาจจะเจอโรคขึ้นมาที่มาเป็นของจริงเนี่ย ตัวเองเป็นจริงี่ยตัวเนี้ยตัวนี้มันจะชัดเจนกว่ามันจะแรงกว่าเห็นคนไข้เห็นคนไข้เจ็บทั้งเจ็บ่งบางนี้ไม่เท่ากับเห็นตัวเองเจ็บครับใช่เลยครับเมื่อเห็นแล้วตอนนั้นอยู่ที่ว่ามีมีมีภูปัญญาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนาไหมมันก็ไม่มีบางทีก็เวทหาหาเจ้าหาอะไรก็ไนดะ้หาเข้าทรงหาอะไรก็ได้ ต, ต่างๆก็มี ในบนบานกับสิ่งสักสิินอะไรก็มีแนละ้วแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าถึงขั้นแก่งของศาสนานเะข้าถึงขั้นการปฏิบัติทานสีนภาวนานี่ก็ยังยากเข้าไม่ถึงถึงรึงวิธีการปฏิบัติของศาสนานะฮะบางก็ไปทําพิธีการมอะไรต่างๆไหว้วัวงปล่อยควาปยวาปล่อยอะไรปล่อย เพื่อให้จะทำในเวนให้อโหสิกรรมอะไรกันไปแล้วแต่ความเชือ่อวิธีการเันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการที่แก้ความทุกข์ใจได้ต้องน้อมเข้ามาหาตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเห็นค น, ขนคไข้แล้วพระอาจารย์สอนให้เราได้ถึงเมื่อวันว่าเราเกิดมาแล้วย่อมใหความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดายรามความแก่ความเจ็บความตายเป็นไม่ได้ คุณหน่อยครับบอกว่าช่วงสี่ถึงหกปีนี้ปฏิบัติต่อเนื่องจากสุขภาพภาระเยอะเลยไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบมาระยะหนึ่งแต่พยายามจะทำสมถะเวลาที่รู้ตัวแบบนี้ดีไหมครับดี่วินาทีน่าอะยังดีก็ไม่มีเลยกินคทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีมันกินยากินยาานมโสัามเป็นก็ดีถ้ากินบ้างไม่กินบ้างก็ไม่ค่อยดี ทุกวันนี้กินแต่ยาเป็นแพนิคครับไม่มีความสุขเลยครับอยากจะขอวิธีครับอาจารย์ก็วิธีที่เราเคยนะเนี่ยะนะเวลาสติแล้วก็นั่งสมาธิให้อยู่ความคิดให้ได้แล้วจิตก็จะสงบแล้วจิตก็จะไม่แพนิคจิตจะไม่เบรขาวางเฉยได้คุณดำครับ ขณะทำวิปัสนาหาเกิดวิปัสนูกิเลส จ, จะแก้ไขยอย่างไรครับเราไม่รู้หรอกมาเกิดท่านรู้มันก็ไม่ท่านรู้มันก็ไม่มาแก้ไขมันต้องรอให้คนอื่นมาสะ ก, กิดเราให้กําลังหลงนะที่อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เช่นเทวทัท่านนี่ก็หลงวิปัสณูคิดว่าตนเองก็ดีลิศก็ขอพระอุจาระขอขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระอุจจาร ลูกเหรอพรเจ้าทรงแก่แล้วไม่สามารถทําคําหน้าที่ได้เต็มที่ก็เลบอกอาสาสมัครว่าเข้าเจ้าเก่งเข้าเจ้ามีเล่นใหแล้วเขาปกครองส่งให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอเป็นใครไม่ไปทนอาคลาสาวุกของเราทั้งสององค์ยังไม่ได้ใต้เอาเป็นแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนมาพูดแค่นี้สเก็ตแค่นี้ก็แทนที่จะได้สติกลับไปโกรธพระพุทธเจ้า ขนาดนี้ไม่ขี้ปัสสาวเมืู้อพเจ้าเตอนะแล้วนะมันก็ยังมองไม่เห็นตัวเองกําลังหลงอยู่เพราะตัวเองไม่มีอะไรเลยเไม่วิเศษเลยตามที่ท mm hmm. ตันเองคิดก็เลยคิดจาฆาดพยาบาทพยายามฆ่าพระเจ้าถึงสามครั้งก็ข้ามันสําเร็จจนในที่สุดในภายหลังก็ได้สติกับขึ้นมา mm hmm. ต้องไปขอกบรมาลาทษหลวงพระเจ้ารัชทาน ก่อนก่อนจะก่อนจะถวายเงินก็ถืกแผ่นดินสูงก็เ ล, ลยขอถวายกลางเป็นเครื่องบูชาพรชเจ้าขอโอกรรมพระเจ้บาบอกว่าการแหน่โอษกรรมนี่มันก็จะทําให้มีโอกาสได้กลับมาดีได้แต่ต้องไปรับผลของกรรมก่อนไมนต้องไปตกตะ ล, ล, ลุยก่อนว่าพยายามฆารเจ้าหนาึ่งชางทั้งด้วยกัน แต่หลังจากที่พูทธจักแล้วออกมาแล้วก็จะมาเป็นพระปัจเจกครับผู้เจริญเ้าต่อไปได้เพราะได้เรียนรู้ความผิดของตนแะล้มาหลงตนเองทำอย่างไรจะนั่งสมาธิให้ได้ชามสี่ครับอาจารย์ก็อย่างที่เราพูดนี่ยต้องมีสติอย่างตอนนี้ห้านาทีให้อยู่กับวุฒิโทแล้ห้านาที แล้วยู่กมาหายใจในห้านาทีอย่างลูกศิษย์ของหลวงปู่บ่านที่เป็นผู้หญิงมาฉีแก้วเนี่ยตอนที่กลายเป็นหนึ่งในหลวงปู่บ้านก็ยไปโปรดที่หมู่บ้านเธอก็ไปฟัธรรมทั่วจากหลวงู่แต่จะรู้ ว, วิธีนั่งสมาธินั่งยังหลวงปู่พุโทโธพุโทโธยนั่งับตาพุโทโธพุทโธไปคือหนึ่งแต่ก็บอกต่ว่านั่งพุทโธพุทโธไปห้านาทีเจดดวงเลยว่าเธอว่า นี่คนมีมีบนญเก่ามาหรือไม่ไม่มีไม่ต้องรู้มากรู้มากแล้มันจะมาคิดตอนที่มานั่งว่าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่เป็นฌานหรือยังมีชาที่หนึ่งที่สองเป็นไงอย่างมันก็เป็นความคิดทั้งหมดที่จะเป็นตัวมาขวางไม่ให้จิตสงบเวลานั่งอย่าไปวิพากษ์วิจัยสถานภาพวิจิตที่เราลองทำอยู่เน่ตอนนี้เราได้ฌานหนึ่งยังไม่ไปติมีสุขเมือยนี่คือเรีมากไปไป พเรีมากเวลามานั่งมันก็มาเปิด น, นิวรณ์ความฟุ้งซ่านขึ้นมาแบบความจิตแต่คนที่ไม่รู้เรื่องคำภีรเรื่องอะไรเลยเนี่ยรู้แต่คำเดียวว่าพุโทโธทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนให้อยู่พุโทโธคําเดียวแล้วอาศัยถ้ามีสติดีมาเมื่อก่อนก็อยู่พุโทโธได้ห้านาทีจิตก็รวมได้คนโกงคนจะบาปขนาดไหนครับ มันก็บาปมันขนาะดโกงคนโรงสัตว์โงใครก็เหกัมันก็เป็นบาปเพียงแต่โทษอ า, าจานท์นั้นอยากเบาตานะ่างนักคุณสมพรครับเวลาได้ไปเที่ยวไหนเฉพาะยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศพอกลับมาถึงเมืองไทยจะก็วาวุ่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศอีกอย่างนี้เสมือนเป็นเศษติดเหมือนเศษกามไหมครับน่นแหละเป็นการเสพด้วยเสงดินรดของสถานที่ต่างๆบรรยา ก, กาศต่างๆ เวลาไปมัมนได้แต่เสพสุกกันเพราะตอนนั้นไม่ต้องทำงานไม่ต้องเจอปัญหาตา ม, มีแต่เสพดูเสียกินแล้วอยากจะกินอะไรก็กินได้อยากจะนอนที่ไหนก็นอนได้อยาจะไปดูอะไรก็ดูได้มันก็เลยมีครับมันก็เหมือนเสพยาเสพติดอย่างนึงพอกลับมาบ้านเราไม่ได้เสพแล้วต้องทํำงานทาการหาเงินช่วงนั้นก็ใจมันก็แฮปปี้เหมือนตอนที่ได้เสพก็อยากจะกลับไปเสพอีกแต่ว่งางเวลา มีเวลาว่างวันหยุดมีเงินทองที่เอาไปใช้จ่ายทึงไปได้คุณนัทครับบอกว่านอนทำสมาธิจับอะไรครับเขาไม่นอนกันหรอกเพราะนอนมันจะหลับถ้าทนาสมาธินี่ให้เราใช้จิตสงบนีไมีสติว่ามีสติอย่างต่อเนื่องแต่ถ้านอนมันอยู่ในท่าสบาย ยกเว้นคนที่มีสลาที่อยู่แล้วมีสติอยู่แล้วเช่นชาาหลวพุทธเจ้าพราหมณ์นี่ท่านอยู่ในาตุโมทิท่านอยู่ในธาตเสียาสา ย, ยาทำสมาธิได้เป็นเวลาช่วงที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ท่านายังสามารถทำสมาธิได้ในท่านครับคุณจอยครับขอรบกวนถามความแตกต่างระหว่างบารมีสิบกับบุญญากริยาวัตถุสิบเพราะมันดูใกล้เคียงกันมากครับ ก็เป็นมากเหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดต่างกันเพราะคนฟังนี้มันมีหลายระดับมุญกิยาวัตถุนี้แสดงให้กับคนที่มีบารมียังไม่มากคนที่เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ๆส่วนบารมีสิบนี้สอนคนที่มี ม, ม, มีมีพละจิตมากมีคำาละจิตมากก็สามารถที่จะใช้ไปสร้างบารมีสิบได้ อะไก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเป็นรายละเอียดถึงแต่ละอย่างมันกันปรับใจไม่ให้อิจฉายังไงดีครับเพื่อนสำเร็จกันเยอะอยากยินดีจากใจจริงแต่ก็แอบอิจฉาครับก็มีคําพูดว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งบารมีนี่แข่งไม่ได้บารมีต้องทํามาตั้งแต่ในอดีตคนนี้ก็มีบารมีมากของเรา เขากไ็ได้ดีได้ดีขึ้นมาดีกว่าเราเราทาได้เราก็ได้กับเขาเนี้บาลเมนี่ต้องสร้างไม่ใช่มาจะมาแข่งกันในในปัจจุบันทางทีนี่มันไม่ได้ว่าบาล เ, เมนี่ต้องใช้เวลาหลายภพหลาชาติสร้างกันขึ้นมาอย่างขุนชราเีกันจะได้กันขุนชาเนีมาติสมบาลเมน้มร้อนขีดกับขีกันเนย โยมชอบซื้อข้าของที่เป็นแนวอาร์ตเช่นงานไม้หรือของใช้กุ๊กกิ๊กเป็นการจับจ่ายแบบไม่ใช่ของจําเป็นแต่เป็นวอนไม่ใช่นิตรครับแสดงว่าโยมมีจิตใจเสพการามอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับและจะแก้อย่างไรดีครับแต่ก็มีความสุขในการจับจ่ายครับเอาเลยไปทำบุญดีกว่าทำบุญกับ อ, องค์กรใดที่เราเราเราเห็นว่าทํำงานดีมีคุณมีประโยชน์ เราเป็นการประทับใจแนชื่นชมเยนดีกับการทางานขององค์กรนั้นอยากจะสนับสนุนองค์กรนั้นให้เราสามารถทางานเพื่อสาธารณะนได้ต่อไปแล้วก็เอาเงินของเราที่ไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญด้ครับแล้วคำพิเศษบัญยากนั้นเอาทังหมอนอะไเลยหมอบาดจ็บให้โรงพยาบาลอย่เรืยใช่ครับอารครับดีก็ไปซื้ อ, อ, าอวาดภาพวานราคาเดียวกันนะ เร า, าว่าราคาล้านหนึ่งกับเอาเวลานหน่ไปจากให้ธนาคารให้ให้โรงพยาบาลอย่างนี้ยิยยยนดีกับเราต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาจากการที่เราไวจากใช้เงินไปประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำสมาธิถ้าเกิดว่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วจะต้องทำอย่างไรครับก็กลับมาที่กรรมฐ า, าน่ย ต้องกลับมาพอรู้ตัวปั๊บก็กลับมาอันนี้เริ่มต้นไหมืกันเราเริ่มตน้นในห้าวินาทีแล้วเราก็ทิ้งมันนะทิ้งงานนี้แล้วก็ไปคัมไปคิดเรื่องนั้นเรืนี้พอเราได้สติแล้วแล้วเยเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้วดีวืว่ากลับมาที่พุโทโธแล้วมาทำงานใหม่ต้องทำนี้คต้องกลับมาเรื่อม่ๆ ม, มันถึยงยากเลยอย่าทำให้ทอ้อนั่งมาอย่าสภาพเดียวมันนั่งทนไม่ไหวนะเพสู้ความอยากที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไดะ เพราสติมีกำลังน้อยถึงบอกว่าก่อนจะไม่นั่งสมาธิควรจะฝึกสติจะริญสติให้นากก่อนเจริญทั้งหนดเนยจะเจริญทั้งนหมดได้ก็ต้องมีเวลาไปอยู่คนเดียวขณะอยู่คนเดียวมันไม่ยังเจริญไม่ได้มันไม่ไมยังอดที่คิดก่อนนั้นถึงวันนั้นวันนี้ไม่ได้คิดถึงเนั่นตรงนี้ไม่ได้จิยยาตมันไล่จะได้ในตัวนี้ตัวความคิดมันแตก ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ครับแต่ว่าไม่ได้เชื้อตเองเป็นบาปไหมครับก็เป็นอาชีพที่ไม่กดจะทําั้งนี้เราไม่ใช่เป็นสมาชิกว่ามีการสนับสนุสนให้มีการาค่ากันทั้งน่้ตนเองไม่ได้เป็นผู้ฆ่ามาตา่างอาชีพที่เราเลี้ยงมันขึ้นมาไว้นอกถูกฆ่าเปทุผู้นั่อย่าไปทําอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้นั่นที่มีผกระทบต่อชีวิตของผู้ถ่ายสายามาเขาก็ไม่หมดัะ คนเดือดร้อนามาแล้วก็ไปทรงานรุ่งนะขายพวกสารพิษที่ข้ามข้ามามดข้ามอะไรนี่ต้องไปกดไม่ ก, ด, ม ก, ด, ขมกดขายลม่กดขายอาชีพที่ทพวกพวกแบบพวกอะที่ใช้จับปลาอทุกอย่างก็ไปกดเน้อค้าอาวุธก็ไม่กดอาวุธ ก, ก็ไม่เอาไว้มา่าอะไมอย่างเงี้อาชีพเหล่านี้เนการส่งเสริม ให้มีการข่ากันง่ายขึ้นคุณโยโย่ครับกลบขอปัญญาครับจบจากสงครามก็มีเรื่องการเมืองมารบกวนจิตใจขอหลักการมองคนดีคนตั้งใจทำงานครับทางเรามองจะมองไม่มีใค ร, รกิเลสทั้งนั้น อ, อย่าไปหวังอะไรจากคนในโลกนี้เลยนอกนี้เป็นโกของคนของคนที่มีกิเลส ทุคนมีกิเลสทั้นั้นเยอยากได้ ร, ร่ำวยสารสนิทสุขด้วยกันทุกคนที่วิ่งนี่เปการเมืองนันนั่นีมม้ก็ต้องมีมีผลประโยชน์ทางจิตใจต้องอยากได้ทั้งอย่างนึ่้อยคนที่อยากจะได้แบบแบบทำบุญทําทานทคือไม่หวังไม่หวังผลตอบแทนจากการทํางานนั้นเลยมีมาการประกา่าจะไม่รับเันเดือนออี่เนี่ยเราะสารนอ้สนับสนุนด้วย ไม่รับเงินเดือนไม่รับตําแหน่งไม่ไม่รับของใช้ของราชการใชข้ของตนเองขับรถของตนเองจ่ายน้ำมันเองไม่กินเงินเดือนของรัฐบาลอันนี้แหละไม่ดีดูคนดีไม่ดีดูตรงนี้ก็แล้วกันการทําท่ายกมือสลับไปมาสิบสี่จังหวะถือเป็นการทําสมาธิได้ไหมครับประโยู่ที่ว่าเราไม่สติอยู่การทําท่านั้นทุกทุกีเราบ่ะนะทุกท่าเลยนะ่องม ถาอยู่แบบ น, นัได้มันก็เป็นการฝึกสติในตัวแต่ถ้าทาไปแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้นนนอยู่มันก็ยังยังไม่ใช่ะใจยังลอยใจไม่ใจไม่อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ผู้ที่ไปสู่ภพภูมินรกทํายังไงถึงจะหลุดจากภพภูมินั้นได้ครับ หาัจากที่เขาใช้ขึ้นบาปวงางหมดเขาก็ออกมาไปติดทุกติดตารางเมื่อก่อนนี้คุณพ่อมีอาชีพเลี้ยงหมูและมีคนซื้อไปฆ่าครับพ่อจะมีบาปติดตัวแล้วจะล้างบาปได้อย่างไรครับเพพ่อไม่บาปเพราะไม่ได้ไปทุนฆ่าไม่ได้บาปเห็นจ่ไม่ควรถ้าไม่ควรเนี่ยระดับเสนอได้คนอเพร ม, มีการฆ่ากัน แต่ตัวค่อยไมไ่ไม่บางจเป็นอาชีพที่ไม่สมควรเสียใจกับคําพูดของลูกมากควรทําใจอย่างไรดีครับเพราเราวังอยากยังได้ยินได้ฟังแต่คําพูดที่ที่ถูกใจเราเพเร า, าไม่ได้คำพูดที่ถูกใจเราเราก็เสียใจเราก็ต้องมาว่าเราควบคุมเราถเขาไม่ได้ไม่ม่าจะเป็นลูกของเราหรือเปล่าแตจิตใจของเขานี่ เขาจะคิดอะไรเขาจะพูดอะไรนี้ไม่มีใครไปควบคุมได้แม้แต่ตัวเขาเองบางทียังควบคุมไม่ได้ก็ถึงพูดออกมางั้นอย่าไปหวังอะไรจากคําพูดทุกคนแล้วเราก็จะไม่เสียใจทุกเพราะลูกกับทุกเพราะเงินเราต้องแยกทุกอะไรออกจากจิตใจครับมันก็รดับทั้งสองทุกอะทุกเพราะลูกก็ก็หาสาเหตุแล้วเราทุกเพราะอะไร เรอยากให้เขาทําอะไรให้เราหรือเปล่าไมอยากให้ก็เป็นอย่างนั้ น, ะ น, น, เ, นเป็น อ, อ, ยย อ, อย่างนี้หรือเปล่าถ้ารู้ว่าเหตุเป็นเกิดจากความอยากมันก็หยุดความอยากเราทุกความรู้ก็หายไปทุกข้อมันก็แบบเอย่างแบบเราอยากจะอะไรกับเงินอยากจะได้เยอะๆหรือยากจะให้เงนที่เรามีอยู่มั่นคงถาวรอย่างนัน ไ, ไม่แน่นอนเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้นไปด้วยการมองอันริง ความจรก็คือเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ควบคุมบังคับถบําลูกไม่ได้ลูกเขาจะดีไม่ดีแล้วก็สั่งเขาไม่ได้เงินทาจะอยู่กับเราแล้วไม่อยู่กับเราเราก็ห้ามไม่ได้เราบอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับอะไรได้เลยในที่สุดในที่สุดเราก็ต้อที่งหมดใช่ไหมแม้แต่ร่านกายเราก็ต้องทิ้งหมด หากจะต้องกู้เงินมาทําบุญอย่างนี้จะได้บุญไหมครับได้บุญแต่ก็ได้บาปนะฮะมันได้ความทุกข์ที่จะต้องมาเอาเงินไปใช้ใช้หนี้ครับเราทำอะไรใช้หนี้ก็ได้บาปบ่อยครั้งที่โยมมีความผ่อนคลายสุดๆเมื่อได้อยู่กับตัวเองแต่พออยู่ท่ามกลางผู้คนนะไม่จิตใจวุ่นวาย เพราะต่างคนก็ต่างจิตต่างใจอย่างนี้แสดงว่าโยมมีใจฝักใฝยความสงบเป็นทุนเดิมใช่ไหมครับตัวตนชอบความเรียบง่ายไม่ชอบความวุ่นวายครับก็ต้องถามด้วเองเลยถ้าผฝ่ายจริงมันก็ต้องอยู่คนเดียวได้มากามันไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นเพราะจํ า, าจเป็นทั้งอยู่กนะ็ไม่จําเป็นเมื่อไหร่ก็เปลกตัวไปอยู่คนเดียวยิ่งถึงยิ่งเร็ว่ากใฝ่ความสงบ มีฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วว่าอดอยากไม่มีอาหารกินทั้งที่ลูกก็ทําบุญอุทิศไปให้ครับอาจารย์ความฝัของเราอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้ดัง้นก็ให้เราไปกังวลถ้าเราไม่สามารถติดต่อกับแม่โดยตบรงเราก็ไม่สามารถที่จะได้ข้อได้คาํคาตอบมาจริงหรือไม่จริงก็ก็ต้องปล่อยไว้เพื่อความวามั่นใจเพื่อความสบายใจก็ทําทบุญอุทิศไปใหม่ก็ได้ คุณเข้าฟ้างถามว่าจิตตั้งมั่นมีลักษณะอย่างไรครับก็เหมือนจอทีวีไม่มีภาพมันนิ่งมันเย็นมันสบายมันสงบไม่มีความคิดปุ่มแต่ไม่มีมเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใจใ น, ในช่วงนั้นเหมือนจอทีวีที่เมื่อวาคุณติ๊กหยองครับบอกว่าทําอย่างไรจะเข้าถึงธรรมะได้ครับมือตอนการมาศึกษาก่อน ศึกษาว่าทำคำําสอนเมื่อศึกษาแล้วก็นำเราคำสอนนี้ไปปฏิบัติตามที่ท่านสั่งให้ปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะเข้าถึงธรรมนได้การตั้งเจตนาให้ตัวเองบริจาคไม่ถท้าให้คนตาบอดให้ได้มากขึ้นมากขึ้นในทุกปีถือเป็นกิเลสไหมครับหรือควรตั้งเจตนาอย่างไรจรึงจะถูกต้องครับขออาจารย์ช่วยแนะนําครับการทำบุญนี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสการอยากเป็นธรบุญนี่ถือว่าเป็นละ เ ป, เป็นการเป็นการดับความทุกข์ดับกิเลสเป็นการฆ่ากิเลสยังเปการกระทําอะไรที่ทําให้กิเลสน้อยลงเนี้ไม่ไึ้เป็นกิเลสเป็นมัรคไม่เป็นธรรมเป็นการที่จะนาไปสู่การลดท้นจากความทุกข์ตําดับต่อไปชาตินี้โดนโกงไปเยอะครับเพราะว่าเป็นกรรมเก่าด้วยไหมครับจะมองแบบนั้นก็ได้หรือจะมองว่ามันเป็นเรื่อจริงก็ได้ ถ้ามอไม่บัญญาก็อบองได้ว่ า, เ, ญญาเป็นอนิจจัง็นิทอดไว้เทียงมีจรรณาในเสือจรรยาหน้ก็มีการเสร่อมหน้าเขาอกาศครับอาจารย์สอบถามว่าถ้าผมปฏิบัติสมถภาวนาแล้วมีบุญวาสนาได้ถึงฌานขั้นต้นเราควรจะอยู่กับฌานนั้นไปนานขนาดไหนถึงจะไม่เกิดความอยากสกลับเข้ามาให้ไดอีกในการปฏิบัติสมถะครั้งต่อๆไปครับ เมื่อเราได้ข้างต้นแล้วเอราอยากให้เขาเข้าไปเรื่อยๆไกล่าวเราไปเที่ยวไปกินอาหารน้านี้น่าถูกใจทุกครั้งที่เราจะกินอาหารแล้วก็จะไปทิ้กินที่ร้านนี้เราจะไม่ไปกินที่ร้านเพราะว่าร้านอื่นนี้เมื่อเปลียบเช่นไปร้านนี้แล้วรสชาติกันต่างไปกว่าควาดินนั่นแหละคือชาความสุดที่ได้อย่างชานี่มันเนื้อกว่ความสุดทั้งปวงเนือกว่าความสุดที่ได้จากการเป็นเศรษฐีอันดําหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ผู้นี้เลย ถ้า ใ, ใครได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความสุขระดับนี้มันเดียวกัความสุขที่ได้าจากการเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกมันจะสามารถทิงทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ออกไปบวชไปอยู่คนเดียวได้แล้วมันเสื่อมได้ไหมครับรอาจารย์ครับถ้าถึงตรนนั้นแล้วครับเปนเสื่อมหรือถ้าไม่ทําอย่างต่อเนื่อยทําไม่ทั้งเนงเวีว่ยก็ไปดูน้ำฟังเพลงไปก็เดี๋ยวกลับไปก็อาจจะเข้าไม่ได้นะพนั ถึงบอกในเวลาที่นั่งสมาธิที่น่ากุติใหานัง่งเราจิตสงบนี่ก่อนจะเริ่มให้สังเกตุวิธีนั่ว่าวันนี้เรานั่งอย่างไรทําจิตให้สงบได้เพื่อคราวต่อไปเวลาเราจะนั่งอีกเราก็จะได้สามารถใช้วิธีนี้ทำต่อไปได้เลยอย่าไปอย่าไปนั่งแล้อยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วถ้าเราจำวิธีคําวคราวที่แล้วไม่ได้เราไม่อยากให้มันสงบยนั่งนมมิ่งไม่สงบเลยเพราะความอยากมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำใหจิตสงบ กันไม่ให้หมายความว่าเข้าสมาธิครั้งแรกครั้งเดียวก็จะสามารถกลับเข้าไปได้ทัทนทะีมันต้องฝึกตั้งซอ้อมเหมือนยิงปืนอนะ่ะยิงเป้าเลยนะยิงเป้าครั้งแรกมันเข้าไปในกลางเลยือตรงกลางเลยไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปมันจะเข้าไปได้ทุกทุกครั้งไปหรือพวกที่ตักตีก้า น, นตีโฮินวันเนี่ยทีวัดตีครั้งต่อไปจะโหนมาได้ทุกครั้งอ่ะเป็ได้การนะเข้าชามันก็แบบนั้นนะ มันต้องฝึกซ่อมอยูเรื่ยๆถึงแม่จะได้แล้วเราก็ต้องทําต่อไปรักษามันแล้วเพิ่มมันให้มันสงบง่าขึ้นให้มันเข้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ต้องเป็นการพัฒนาต่อไปเหมือนที่เคยได้ยินครูอาจารย์หลายท่านบวชตั้งหลายพรรษาแล้วก็ศึกไปอย่างนี้เพราะว่ามันเสื่อมไปใช่ไหมครับอย่างน้วอยู่แล้วไม่มีความศึกประหยัดเวลาได้หมดทั้งใช้เวลาไปทำก่อนยู่เดือนนึดนิดสมาธิมาท่านเสื่อมเลย เคยนั่งสมาธิแล้วสงบได้เข้าสงบแต่พอทําทกฎนี้ไม่มีเวลามานั่งสมาธิใจก็คุ้นชินอยูว่วิธีการทําทกฎเนี่พอทํากฎเสร็จแล้วอยากลับนั่งนั่งสมาธิไม่เข้าไม่ได้นะจไม่ได้ว่าเข้าไปยังไงบางคยเนี่นั่งอยูสภาพใหญ่ใหญ่จําได้ว่าเราเราไม่พูดโทรเราอยากให้มันสงบเราอยากให้มันสบไม่สงบเราต้องใช้พูดโธถ้าอะไรกลับมาจะเลยพูทโททั้งวนันทั้งคืน เกับข้ข้ไไปไดจากถ้าขึ้นถึงอริยะแล้วจะไม่เสื่อมใช่ไหมครับอาจารยไ์ไม่เสื่อมไม่เสื่อมเพราะสะเตจ ม, มันมันต่อเนื่องมันครับต้นไม้ที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ให้ถึงคราวที่ต้องตัดเพราะมีคนมาเช่าที่ดินครับรูกคาเทวดาประจําต้นไม้จะโกรธหรือไม่ครับทําบุญด้วยวิธี่ใดได้บ้างครับ ก่อย่างน้อยก็จุดทู่เทียนของกรรมาราทูบก่ออนุญาตถังนะจุดแั้วไม่มีอหุการณ์อะไรที่เสียหายก็แสดงว่าท่านอนุญาตรัดตัดได้เวลานั่งสมาธิจุดทูบเทียนแล้วก็มีขโมยขึ้นบ้างแล้วมีไฟไหม้บ้านนี้แสดงว่าท่านอาจจะยังไม่อยางให้เราตัดก็ดครับผม เวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่งครับจะต้องทําอย่างไรครับเพราะสติมีกําลังน้อยและไม่มีเลยต้องฝึกสติต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าไปอ ย, าอย่าทิ้งพุโทโธถ้าเรานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราโน้มก็อย่าทิ้งโน้มให้โน้มไปอย่างเดียวมันจะเน่งยังจะสุบได้ บางวันใส่บาตรไม่ทันแต่จะทําบุญปล่อยปลาปล่อยหอยทุกวันหากไม่ติดอะไรและจะทําบุญออนไลน์กับกิจกรรมวัดต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานเหมือนกับการได้ใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นก็เหมั น, น, นขอโอกาสพระอาจารย์ยกตัวอย่างระดับของสมาธิได้ไหมครับอาจารย์คือสมาธินี่ก็มีแบบไม่สามชนิดด้วยกันครักาสมาธิอุเบ อัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิ ก, าธกับอัปปนาสมาธินี้เป็นสมาธิชนิดเดียวกันแ้วจิตนอมเนี่ยจะมองการต่างกันตรงที่การตั้งอยู่ในสมาธินี้สั้นหรือยาวถ้าเข้าไปแล้วอยู่ในสมาธินี้ได้เพียงชั่วคู่หรืนชั่วขณะหนึ่งเรื่องคณิกาสมาธิคือสั้นเหมือนฟ้ า, าด้านหรือโมเรสตินี้นจครับเป็นแบบแป๊บเดียว อันนี้เป็นเพราว่าเป็นพวกปฏิบันนติเริมต้นใหม่สติยังมีกําลังไม่มากพอที่จะทําให้มันลุองได้นานเหมือนเติน้ํำมันแค่นิดเดียวในถังในรถ อ, อย่าวิ่งแค่ครั้งเดียวก็ต้องชจอดนะพอเราได้นคณนิกาแล้วที่เราว่าเราต้องนำน้ามันให้มากขึ้นคือจนารัสติให้มากขึ้นเวลาเร า, าจารนันสติให้มากขึ้นระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิครั้งต่อไปนังสมาธิมันก็จะสมองได้ด่านขึ้น ภาษาบาลีนะท่านก็หวงกันอับปนาสมาธิสมาธิทัศวรรณะนี้ก็คืออยู่ในฌานนะาาสาี่นะใหญ่เม่งขาส่วสมาธิชนิดที่สานี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่จิตโดมแนละ้วแต่ไม่อยู่เฉยๆออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพสามารถไปติดต่อกับกายทิพย์ไดเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นอะไร สามารถติดต่อกับดวงวิญญาต่างๆได้อันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิแล้วในสมาธิที่เป็นคณิกาเกี่กับข้บออภ ป, ปนานี้ก็มีสามารถแ บ, บ่งระดับของความสงบได้กันเป็นชานแ บ, บ่งัปนชานขึ้นมามีแปดขั้นด้วยกันขั้นของขอของอั ป, ปนานสมาธิกับคณิกาสมาธินี้ในชานขั้นที่สี่ในรู ป, ปรชานที่สี่แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีขั้นที่หนึ่งที่สองที่สา ซึ่งจะมีคนสมบัติลักษณะต่างกันไปเช่นรูปประชาตขั้นที่หนึ่งจะมีวิตตวิจารมีสุขมีปิติอะไรเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่สุดก็จะเหลือแต่อุเบกขาแล้วได้อยากจะให้สงบ ม, ม, มากกว่านี้ก็ต้เข้าไปสู่อนรูปประชาญรูปประชาญก็มีสีนะ่ระดับที่ยังมีควาสมสงบมากขึ้นไปตามับตามตามระดับของชาญอันนี้ก็คือสมาธิอันนี้ต่างๆ คุณสิริแก้วถามว่าเกิดมากับครอบครัวใหญ่ครับตอนหลังๆนี้ต่างคนต่างไปเราต้องเสียใจไหมเขาที่พวกเขาทิ้งเราไปครับถ้าเราเสียใจเราก็ทุกถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องเสียใจยอมรับว่ามป็นธรรมดามีการพลาดพาจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วจัดเป็นกอจกัดตายก็ต้องจากไป พนักงานขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตมีถ้ามีลูกค้ามาตาถามหายาฆ่ า, มาแมลงเลือกใช้ไม่ถูกว่ามีหลายชนิดต้องให้คำแนะนำเพื่อใช้ยาฉีดยุงปลวกพนักงานให้คำแนะนำจะมีบาบไหมครับและควรทําใจอย่างไรครับเพราะว่ารู้สึกผิดครับก็อย่างที่บอกมันเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำแต่ยังไม่บาเว่าไม่ได้ไปทให้เขาถ้าเราไปทํำให้เขาด้วยสาธิตให้ดูเนี่ยเอาแบบนี้ฉีดให้ดูทันทีเลย บาทีขาดไว้ตายทันทีเล ย, ยนี่ก็มาคุณสมจิตครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเองอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปการเลี้็งอาชีพที่ในทําเล่นเกมการต่อสู้นี้ยังผิดศีลไหมครับพระอาจารย์ถ้าเรายัางไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นยังไม่ผิดศีล พระอาจารย์ครับถ้าร่างกายเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราสองร่างกายเพียงแค่ธาตุสี่ส่วนนามขันเราปิดสวิตช์ไม่ให้ปรุงแต่งโดยใช้คําบริกรรมพุโทโธเพื่อบังคับปิดสวิตช์นามาขันทั้งสี่ถูกไหมครับใช่ครับปิดสวิตช์เกินยอดนามขันแต่ความทีเขาหยุดเพียงตัวสังขารขันเป็นต้นเป็นหลักตัวขันอย่างหนึมันยังไม่น่าจว่ามันยังทํางานอยู่หรือเปล่ามันยังมีสัญญา มีเวทนาอย่แต่มันเปนสัญญาเวทนาที่ที่ละเอยียดถ้าเราตื่นเช้าใส่บาตไม่ได้แต่เราโอนเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือวัดแบบนี้ได้บุญเหมือนกันไหมครับได้ไดวิธีแก้ซึมเศร้าคือการมีสติบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเปล่าครับได้ถ้ า, ถาทำให้จิตสงบแล้วความซึมเศร้าก็จะหายไป การเศร้าโศกเสียใจกนญะหายไปจิตวาวันจะยังจะสงบมีความสุขลูกไม่เชื่อฟังครับพ่อแม่จะสวดมนต์บทไหนดีครับมันไม่เกี่ยวนะสวนมนอก็าบเปลี่ยนก็ไม่ได้ต้องสวนด้วยปัญญาว่าลูกเป็นอนิจจังทุกขังอนันตตาคือลูกเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้ใการควบคุมบันคับของเรา ไม่มีภายใต้การทำสอนของเราทำสอนเขาละเขาไมทำตามเพราะก็เป็นอนัตตาก็ เ, าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้แม้กระทั่งตัวเขาเองบางทีก็ควบคุมบังคับไม่ได้การนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงรู้สึกว่าจิตนิ่งสงบดีแต่ทางกายมีอาการปวดหลังจึงขยับเล็กๆบ้างนั่งจนพระอาจารย์พูดอย่างนี้เป็นสมาธิระดับใดครับ ก็ไม่มีเกวัตไม่สามารถจะตอบได้ก็มันะ็แสดว่ามันมันไม่สงบอย่ญญางเต็มที่ถึญญาที่มันจะไม่นับรู้เรื่อ ง, องร่างกายเลยเขาโอกาสครับถ้าพระสามารถเลือกรับอาหารที่ญาติโยมถวายให้เหมาะกับาธาตุขันส่วนองค์ได้คือไม่กินอาหารที่เป็นโทษแล้ว เพราะอะไรครราวา่าจึงไม่ควรทําอาหารที่มีโทษน้อยให้ร่างกายตัวเองกินเพราะปัจจุบันอาหารที่ทําอาหารในตลาดส่วนใหญ่มีโทษมากเพราะคนขายต้องการขายรสชาติปรุงรสจัดใส่ผงชูรสเค็มจัดหวานจัดและผักน้อยผักเก่าดําหรือล้างไม่สะอาดทาให้เกิดโรคเมื่อกินสะสมไปนานๆครับก็อยู่ที่ผู้บริโภคมีปัญญามากน้อยต่างกันนะบางคนเขามีปัญญาที่จะแยกแยะว่าชนิดไหนเป็นเห็นโทาเป็นคุณ เขากินไปตามที่เขาอยากกินเขาเคยกินอะไรมาเขากินไปตามความอยากมากมานั่งสมาธิบางครั้งกําหนดพุทโธบางครั้งกําหนดยุบหนอพองหนอทําถูกไหมครับได้แต่ให้มันต่อเ น, นื่องอย่าให้มันพังเปล่าให้มันอยู่กับพุทโธไปเรื่อยเรื่อยอยู่กับยุบหนอพองหน่อไปเรื่อยเอยาก่รทิ้งเลย การทําให้ใจสงบคือการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่จะทําให้ใจไม่สงบเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ่การ ท, ทําใจสงบก็คือการหยุดความคิดปรุงแต่งในใจความวุ่นวายก็จะความคิดปรุงแต่ง ใ, ในใจที่คิดประทำกิเลสที่ไปอยากให้ทุกอย่างเป็นอางนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้ความไม่เป็นตามความอยากใจก็เลยวุ่นวายขึ้นมาเพรอหยุดความคิดที่ได้ความวุ่นวายที่มีในใจก็จะ อยู่อย่างไรตัวตนหมายความว่าอย่างไรครับก็เหมายควาว่าเราไม่ปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราน่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าธาตุน่างกายก็เป็นธาตุสีนิ่นนองไฟจิตชื่อเป็นธาตุสวดมนต์กับการภาวนาใช้อันเดียวกันไหมครับก็คําว่าการภาวนานี่เป็นคํานวณวิธีการ ทำจิตใจให้สงบซึ่งการสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้จิตให้สงบลงได้นนบ้างแต่ไม่ไม่เต็มที่คุณหัวใจไก่ชนครับบอกว่าพระอาจารย์บางครั้งมีแสงสว่างขึ้นตรงน้ผาตรงหน้าเหมือนคนเอาไฟฉายส่องจิตเรามโนปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าครับไม่ต้องเป็นรูว่ว่าเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังดีกว่าร่วงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ข้างในงมันก็ดับไป เพน่าตาเราไม่ได้ไปสามารถไปควบคุมของข้ไปไายวิธีปฏิบัติอย่มันก็ให้รุกเฉยเฉไปไม่ต้องไปสนใจถ้าเรานั่งสมาธิถ้าเราดูแบวกกบว่างกลับมาดูมุมต่อถ้าเราพูดุทโว่ากลับมาที่พุทต่ออย่าไปให้ความสำคัญกับมันมันจะทำให้เราเสียสมาธิไม่สามารถเข้าสมาธิได้คนที่สูบบุหรี่แล้วพ่นควันออกมาทําให้ผู้อื่นได้รับควันเข้าปอดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ก็เบียดเบียนกอัเอารือาของผิดไทยกับพวกเขาสูเขาแต่มีสถานที่ที่ห้ามไม่ให้ไปสุดบุรีไม่ยากเยะเหมือนกับเราไปอุจาระที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ดีนะความบหี่มันก็เป็นเหมือนอุจาระอย่างนึงอุจจาระทางจมูก คนที่อยากเป็นนักการเมืองเป็นสสถือว่าเป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิในแง่พระพุทธศาสนาหรือต้องดูที่การกระทําของนักการเมืองคนนั้นๆเป็นหลักครับทั้งโองนี้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหมดมีทางธรรมนะที่เป็นสัมมาทิฐิเพราะว่าทางโลกมันเป็นเป็นการนําไปสู่ความทุกข์ลาบยศสารเสินสุกนี้เป็นเป็นทุกข์แต่มองไม่เห็นกันถ้าเห็นว่าลาบยสารเสินสุกเป็นทุกข์ก็จะไม่มีใครอยากจะเป็นนะ การทำสมาธิทำได้ทุกอิรยาบถใช่ไหมครับการทำสติจตันทร์สติทำได้ทุกอิรยาบถในการจะทำสมาธิให้จิตสงบนี้ต้องทำอยในท่านั่งนทยืนนั่งากายต้องอยู่เฉยเฉยสดมนกับนั่งสมาธิอย่างไหนจะได้อนิสงส์มากกว่ากันครับนั่งสมาธิจะสงบ ม, มากกว่าการชสนมน พระอาจารย์ครับวันอาทิตย์จะพยายามนั่งสมาธิให้ได้สองชั่วโมงช่วงชีวิตจะตกหลุมตกบอ่อบ่อยมากแต่ชั่วโมงหลังจะรู้สึกไม่ค่อยตกหลุมตกบอ่อได้แต่ภาวนาไปเรื่อยๆทำไมช่วงแรกถึงเข้าสงบได้ดีกว่าชั่วโมงหลังครับเ่าจะสติกำลังมันมากกว่ากันก็สติกำลังมากผลทั้งรอบจะมากสติน้อยผลมันก็นจะน้อย เรียนพระอาจารย์คนที่ทำงานทางโลกทำสมาธิยากมากเพราะงานทางโลกแน่นตอบสนองกิเลสแข่งขันกันสูงมากครับขอบุครับก็ต้องหาเ ว, ว้นเวเวลาว่างที่ไม่ต้องทำ ง, งานทางโลกเช่นวันหยุดห้าวันนี้ก็เราไปอยู่ครับจนสักเราไปเจริญสติเป็นึ่งฉบาิงได้กว่า การใช้สมาร์ทโฟนดูนูน่นนี่นั่นทั้งการทำงานและการพักผ่อนดูเรื่องราวต่างๆทำให้ใจเร้าร้อนดูมากๆทำให้ใจไม่ผ่อนคลายแต่ตอนดูมันผ่อนคลายอยู่เสมือนมันหลังสารความสุขโดปามีนพอวางมือถือเหมือนถูกดูดพลังออกไปสมองล้าพลังสมองเหมือนถูกไทม์แมชชีนหายไปในอากาศสมองเหนื่อยโงมควรแก้อย่างไรครับก็เป็นยาเสษติดอย่างย่าไปเสพมันเลยเสพ มันมีสิ่งแวดล้ต่างๆดื่มกาแฟมันก็ระบมันก็ให้พลังขึ้นมานื่นมของที่มีคาเฟอีนขึ้นมากินอาหารแล้วเสก็มันมีพลังขึ้นมาอาการปวดเมื่อยต่างๆในร่างกายก็จะเหมือนเบาลงไปแต่พอเราหยุดเลิกขนดนี้อาการากต่างๆมันกลับขึ้นมารุนแรงกว่าเข้าเองธรรมศสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสกราบ ปัญญาจากพระอาจารย์หนูเห็นพระาอาจารย์ตอบคาถามธรรมะให้ชาวต่างชาติหลายชาติหลายสำเนียงครับอาจารย์ก็พอดีมีเว็บเว็บไซต์ไม่ใช่เป็นเว็บเพจเฟซบุ๊กเพจที่เป็นภาษาอังกฤษก็เลยมีชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาพบเขาว่าอะไรติดตามอยู่มีประมาณนักสองหมื่น 20, คนที่ติดตามใ น, ในเพจภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกทุกทิตย์ก็จะมีการ ส, าททส่งยาธรรมสดแบบนี้ อ่านทางแอปพลิเคชัน z o o ใครอยากจะถามคำถามก็าสามารถเข้ามาถามได้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดเก็บไว้ถ่ายทอดสดเก็บไว้ในเพจอยู่ย้อนหลังได้ถ้าอยากจะดูเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าไปในเพจ์นี้ได้ในเสิร์ชชื่อพระอาจารย์สุชาติแมันก็จะขบขึ้นมาครับพระอาจารย์ครับตอนนั้นตอน11โมงถึงเที่ยงวันหยุดพระอาจารย์ดีสนทนาด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นพูดคนเดียวเอง ตอนช่วงนั้นออกทำออนไลน์ใหม่ก็ก็ให้คนก็ส่งเข้าคำมา แ, แล้วเราก็อ่านไปต่อไปที่มันเหนื่อยคนเดียวทั้งอ่านั้นตอบชั่วโมงหนึ่งเลยตอนงทำไม่ไหวก็เลยต้องขอลดไปการการได้รักษาพระสงฆ์รักษาเพื่อนมนุษย์รักษาสัตว์ได้บุญมากไหมครับ ก็อยู่ที่คุณประโยชน์ของบุคคลคนที่มีคุณประโยชน์มากก็ได้ถึงมากคนที่มีคุณประโยชน์น้อยก็ได้ถึงน้อยถ้ายังทํางานเจอคนทั้งวันฝึกสติยากสติหลุดบ่อยอยากขอแนวทางปฏิบัติครับก็ทําทให้น้อยลงอย่าไปน้องมากอยู่แบบสันโดษนั่งร้อสันโดษอยู่แบบสมะถตเรีย น, นยถ้ายค่าใช้จ่ายก็จะน้อย เมื่อค่าใช้ใจาาา่ายน้อยการที่จะมีรายได้ก็ไม่ต้องมีมากกนะ็ได้ลดเราก็จะมีเวลาลดการทํางานลงได้ขอโอกาสครับจริงหรือไม่ที่คนสามารถบรรลุมรรคผลได้โดยการทําคานิกะสมาธิคือใช้วิธีรู้กับปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆจะเกิดสมาธิต่อนเนื่องจนบรรลุมรรคผลได้ครับ อันนี้ก็ไม่อยากที่จะไปไปิพาพวิจารณ์นะเนบ่เป็นเรื่องของสันนิษติโกของแต่ละบคุคคลก็ลองทำยูแล้วกันทำได้ก็เลยอนุโมนาไม่ได้ก็อ า, อาจจะมายถึงว่าสมาธิเรามีกำลังไม่ว่าพอที่จะหยุดกิเ็นได้การทำสังฆทานกับการซื้อของให้คนยากจนแบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับไม่ เ, เท่ากันนะครับ อาจารย์ครับขอากาดครับหากลูกพิจารณาอาสุภะด้วยการสวดมนต์อย่างมีสมาธิด้วยบทสวดกายคตาสติในทุกวันวันละสามเที่ยวก่อนนอนจะสามารถทําให้เกิดปัญญามากขึ้นจากบทสวดมนต์ไหมครับโดยใช้บทสวดพิจารณ า, าสุภะครับเพื่อสวดไปแล้วเรางน้งนดึงภาพไปด้วยเห็นภาพไปเห็นผมว่าอยู่ตรงไหนไปเห็นเขา อ, อยู่ตรงไหนเนือ้อผิวตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเห็นนล้วต้องเรามาจดมาจำ เมื่อราสวดไปปั๊บถ้ามันไม่ไม่เอามาพิจารณาต่อมันก็เลืนได้หายไปได้พวกราการที่ใช้สพวนนี้เราไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าการมาลมมันจะเกิดขึ้นมื่อไหราต้องมีวัสดานี้พร้อมอยู่มันก็เป็นยาที่เราใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่บ้านเราก็จะเตรียมยาสามารถไว้เผื่อ ม, มีมีเมื่อไรเกิดขึ้นรืแลค้ายยามากินได้ทันทีส่วนนี้ก็เป็นยารักษาการระลม การมาลาคะโมกการมาลาคะถเราไม่รู inside, ้ว่าการมาลมันจะเกิดขึ้นเมือไรเราก็ต้องมีไว้ใกล้มัวใกล้ตัวนะเมื่อเกิดการมาลงขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องรียกึงสุภะขึ้นมาทันทีถ้าไม่ถึงอสุภะได้การมาลงขึ้รมาได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เรกบ่อยๆเหมือนก็ท่าสูดรคูณก็ยังจำไม่ได้เวลาจะใช้สูตรคูณก็ใช้ไม่ออกเราจะทำทำอะไรทาอะไรโคตรล็อกโยร์ล็อกูาลอก ไม่สามารถจำจำสูตรคุณได้ก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้นั่นเราต้องมันพิจารณาอยู่แนวๆกระทั่งมันมันเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเห็นห ร, ร่างกายของกายก็เห็นอาการสามสิบสองไปพร้อมๆกันเลยทำอ่างนี้ได้แนละ้วโ อ, อกาสที่จะมีที่จะใช้มันดับการมรณะนีคก็เป็นไปได้ง่ายไม่มาก การเห็นการเกิดดับของความคิดหรือความรู้สึกหรือการรู้สึกเวทนาทางกายว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองการเห็นหรือรู้สึกแบบนี้มาถูกทางไหมครับเห็นแล้วต้องปล่อยวางให้ได้ต้องไม่ไปนิลังเกลียนเราจะทุกขเวทนาก็าไม่ น, นิรังเกลียนเราจะสุขเวทนาก็ไม่ยึดติดไม่อยากต้องไม่มีความอยากกับเวทนาไม่ยากมีความอยากกับความคิดให้รู้เฉยเฉยให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขา ไม่นักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาที่กําลังนั่งสมาธิทุกครั้งทําไมต้องเกิดอาการไอทุกครั้งที่นั่งสมาธิอย่างนี้ถือว่ามานมารบกวนใช่ไหมครับก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้ว ก, กันถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็รู้ว่าเนี่ยเวลานั่งสมาธิจะจปะีปัญหาแบบนี้เราจะหาวิธีแก้มันยังไงทำยังไงที่เราจะได้แก้มลนได้ผ่านไปได้ไ ม, ไดมันเป็นนิวรย อุปสรรคในการทำสมาธิวิธีก็คือส ต, ติเรามีไม่มากาถ้ามีส ต, ติมากขึ้นอาการเหน่นี้มันก็จะน้อยลงดวงตาเห็นธรรมขอขอัสถามนะครับหากทะเลาะ ก, กับแฟนคนรักคู่ชีวิตฟาดฟันเดือดร้อนอกร้อนใจต่อกันจะมีแนวทางจัดการสู่ความสงบได้อย่างไรครับก็อยอมหยุดย็้งเนี่ย ยอมยอมแพ้เขาให้เขาชนะหยุดต่อสู้ยั่ใจก็จะเย็นที่ที่ร้อยไจว่าต่อฝ่าต่างาชนะกันให้ถ้าผ่านถึงยอมแพ้มล้ก็จบแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นมาคิดอย่งนนั่งสมาธิครั้งละสิบถึงสิบห้านาทีหลายครั้งกับนั่งครั้งเดียวนานๆจะได้อนิสง์เท่ากันไหมครับ เราต่างกันนร่งนานมันแสดงว่าจิตมันสงนบมากกว่านั่งแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวมนันก็มันมันสงบด้อยมันอาจจะไม่สงบลายก็ได้การเจ็บป่วยเกิดจากวิบากกรรมใช่หรือไม่ครับและการปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาของโอโคสิกรรมจะช่วยได้ไหมครับเกิดจากการเกิดถ้าไม่เกิดเราจะไม่มีการเจ็บป่วยถ้ามันเกิดแล้วก็เรามีการเจ็บป่วย การแผเมตตาวหสิกรรมนี้ช่วยไม่ได้หรอกช่วยได้ก็ไม่ ited, ำตำ้องมปนรงพยาบากครับนรมาสการ์ครับอาจารย์ขอโอกาสทางปัญญาครับเคยฟังพระอาจารย์ตอบคําถามทางธรรมะชาวต่างชาติหลายชาติหลายสำเนียงเลยชอบมากๆเป็นแรงบันดาลใจให้จากสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนในการอธิบายธรรมะให้ เ, เพื่อนจิตอาสาชาวต่างชาติให้เข้าใจธรรมะเล็กๆเพื่อนของหนูเลยบอกว่าเราต้องแปลให้ถูกต้องนะ ถ้าอยากทำรบกวนขอคำแนะนำพระอาจารย์ปีหน้าตั้งใจจะไปลงคอร์สภาษาจีนเพื่อการแพทย์และภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์เผื่อไว้ใช้สื่อสารช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์แบบจิตอาสาครับก็ได้แต่ว่าเราก็องไปให้มันถึงแล้วกันการตักบาตรถ้าไม่ตรวจน้ำเพียงแค่นึกในใจว่าจะอุทิศให้ใครบุญจะถึงไหมครับถึงการเ่นบุญนี้ไม่ต้องใช้แ นั่เป็นเพลงตัวอย่างของบุญที่เราจะอุทิศไปได้คุณเอกถามว่าหลวงตาท่านเคยแสดงอภิน ญ, ญาให้พระาจารย์เห็นบ้างไหมครับไม่เลยไม่เลยไมไ่ไม่ได้สนใจไม่เลยไม่ไม่ไรับดูไม่สามารถตอได้คำถามนเนื่องจากทำงานแล้วรู้สึกเบื่อวุ่นวายจึงแจ้งลาออกในหัวคิดว่าจิต ไม่ต้องใช้เงินอยากจะพัฒนาจิตและฝึกปฏิบัติมากขึ้นให้มีปัญญาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมด้วยครับก็ไปบวชนี่เป็นปฏิบัติถ้าเราไม่ทำบุญแล้วก็มีเวลาว่างบวชได้ก็ไปบวชในที่สุดแต่ต้องไปบวชกับวันที่มีการปฏิบัติไปบวชกับวันตายในต้นเวลานั่งเฉยๆจะมีความคิด ที่เพิ่งกระทำมาใหม่ๆทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีความรู้สึกชอบไม่ชอบกับคนคนนั้นเราควรจะตัดความคิดได้อย่างไรครับคือใช้พุดโธมะราคิดเราไม่อยากคิดเราคิดพุดโทโธแทนทแๆๆ้าพุทโธไปแน่ๆเดี๋ยวสภาความคิดมันก็จะห <c oughs> น้องกราฟอาจารย์ครับผมเป็นปลายประสาทอักเสบที่หน้ามีการ โซนจมูกต้องทานยากาบาเพนทินและริโวทริลโดยโดสสูงมากๆแถนปวดหลังหมอนรองกระดูกปปิ้นนั่งมากก็ปวดหลังถ้างดยาเลยสามารถเอาชนะปวดจนเข้าสมาธิได้ไหมครับก็อยู่ประมาณองสติถ้าสติดีจิตวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้ก็เข้าสมาธิได้อุปจาระสมาธิเป็นทูคล้ายคล้า g o ูเกิ รถแมพที่ช่วยให้พ้นจากความทุกข์และเข้าสู่นิพพานเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ใช่ครับอุปจาสมาธิเป็นเป็นส่วนทีาจสงหวะนิจิบแบบหนึ่งที่สามารถเข้าไปในโลกที่ติดต่อกับกายทิ้ยได้ถ้าช่วงไหนที่เราทุกข์ใจเราจะทําบุญและอุทิศให้ตัวเองได้ไหมครับวิธีทําบุญอุทิศให้ตัวเองก็คือเนื่งสมาธินี่ไง เรื่องมาธิทำจิตให้สงบแล้วค่าวเท่าก็จะหายไปจิตใจวุ่นวายจากเหตุการช์ชายแดนควรวางใจอย่างไรจิตจะได้สงบครับก็ว่ามันเป็นอนัตตาเหมือ น, นอันนอนนี้จำเดี๋ย ว, วนี้มันก็หยุดเอกแล้วเดีย๋ยมันก็ยิงกันใหม่แล้วอนัตตาคืเราไปสั่งมันไม่ได้ก็เราหวั่นไปเหมือนกับน อ, อนดูดินฟ้าก่ะ แล้วฝนตกแล้วแดดออกแล้วหนาวแล้วร้อนทุกอย่างทั้งไปแล้วใจเราก็ังไม่ทุกยอมรับคามจริงไปกังวลเลยเดินจงกรมรู้กายรู้เท้าที่ก้าวย่างเดินหนึ่งชั่วโมงรู้สึกดีสบายใจแต่ความกังวลก็กลับมาใหม่ครับอาจารย์ก็เดินต่อเรหยุดเดินแล้วก็ปล่อยให้คิดถึงเรื่องเดิมเรื่องเดิมมันทำให้เรากังวลใจใหม่พอเป็นกังวลแล้วก็ไม่แล้วก็หยุดมันด้วยการ เดินก็ได้ในในการใช้คําไใบคำพูดทวนต่อไปขนาดฝึกสมาธิเองที่บ้านรู้สึกตามทันอารมณ์เกิดดับทุกข์สุขให้เห็นได้ไวขึ้นทําถูกไหมครับก็ต้องให้มันไม่มีอารมณ์อะไรต้องให้มัน ไ, ไ้่ยังไงถึงจะถูกอันนี้มปขั้นตอนขั้นที่สองว่าคือต้องทําให้อารมณ์เนี่หายไปให้อารมณ์ยืนได้ ยืนได้ต้องมีสติกับกับใจอยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธเมื่ออยู่กับถ้าดูาอารมณไปเรื่อยๆมันจะไม่มีวันหยุดนะต้องัาดูลมแทน ม, นมาบริการพุโทโธแทน ม, น, นมันจะหยุดอารมณง่าย <c oughs> คําพูดแรงๆของผู้อื่นหากเราได้ยินได้ฟังแต่ไม่เกิดความรู้สึกใดๆต่อคําพูดเหล่านั้นเท <c oughs> ่ากับว่าจิตของเราสงบนิ่งจนคําพูดังแรงเหล่านั้นไม่สามารถมากระทบ ความรู้สึกของเราได้อย่างนี้เข้าใจถูกหรือไม่ครับแสดงว่าเราม่เอาเบรกค่ะินเรเยไม่ยินดีร้ายกับคำพูดของใครกราบขอปัญญาครับอาจารย์โรงงานผลิตอาหารหมูไก่อาหารปลานี้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพไหมครับคงไม่เรมันเกี่ยวชีวิตทุกผู้เกี่ยวการฆ่าชีวิตทุกู ระหว่างการสวดมนต์ข้ามคืนปีใหม่ที่วัดและการอยู่กับตัวเองวิเวกสันโดษฟังธรรมะทำสมาธิผลจะต่างกันไหมครับการอยู่กับเนวิเวกมันจิตมันใจบอกมากกว่าการไปส่วนมันพระอาจารย์ครับมีอาการปวดเข่ามากเราจําเป็นต้องนั่งสมาธิในท่าขัดสมาธิหรือไม่ครับนั่งขัดสมาธิไม่นั่ ง, น, ง, งนั่งัดง่า เราจะวางใจอย่างไรถ้าคนที่ร่วมงานไม่ให้เกียรติและพูดรับหลังลินทาและไม่ตรงกับความเป็นจริงครับออเร า, เายังไม่วางอะจากเขาเราก็จะไม่ถูกถ้าเราหวางังเราไม่ได้นําที่เราหวางังแล้วก็จะเสียใจเวลาเริ่มสวดมนต์จะง่วงหาวนอนทุกครั้งเลยครับอาจารย์ก็เพราะว่ามันไม่อยากจะนั่ ตั้งแต่ใช้หลักการหยุดความอยากของพระอาจารย์ทำให้ชีวิตนี้ประหยัดเงินได้มากมีความสุขกับความสงบกับตัวเองไม่ติดเพื่อนไม่ติดสังคมผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วม า, มาไปขวายโหรได้น้องกราบอาจารย์ครับ อ, อนุญาตเรียกเรียนถามพระอาจารย์ว่าการพิจารณาเมื่อว่าไม่สูงกว่าคนอื่นไม่เสมอกว่าคนอื่นไม่ต่ากว่าคนอื่นเมื่อใจเป็นอุเบกขา ควรปล่อยวางอยู่เฉยๆถูกต้องหรือไม่อย่างไรท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับคืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นว่าเราซึกว่าเขาหรือเท่าไับเหรือต่ำกว่าเขาเพราะความเป็นจริงธรรมชาติของพวกาทุกคนเหมือนกันเป็นท่านเหมือนกันร่างกายก็เป็นดินน้ำหมุนไป อ, อันนี้คื่อรายการรับถุทิศมาเนื้อของถือตัว เรื่จะใครใครก็จะให้ความเคารพเราไม่ใ้ครับเคาเพออรพ เ, เ, เราเราก็ไม่ไม่สนใจเขาจะดูถูกเราเขาเยาะเย้ยเราเขาคิดว่าเขาเก่งเราก็ปล่อยเขาทำไ ป, ปแต่เรารู้ว่าความเจริงแล้วเราก็เหมือนกันทุกคนเท่ากันคารวาสปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับโดยไม่บวชครับได้ครัมี มาคมงคนองก็สามารถมาลดทัมได้จริงไหมครับเหตุการณ์ที่มากระทบเราเกิดจากกรรมไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญครับใ น, นโลกนี้มันก็มีอาจการย์ต่างๆที่เราต้องไปสบายนะเป็นธรรมดาเป็นปกติเราจะทำอย่างไรให้ทานอาหารได้มื้อเดียวเหมือนพระพิสุครับเราฝึกไป เราฝึกตอนตั้งก็ฝึกอาทิตยลครั้งหน่อยวันพระนี้เราก็มาถือศีลแปดล้วก็รับประทานอาหารวันวันละครั้งถ้าเป็นไปได้ถ้าเราต้องมาอยู่กับวัดที่เขาปฏิบัติเหมือนกันมันก็จะง่ายกว่าถ้าเรา ท, ทาาาําที่บ้านก็หนึ่งเขากินข้าวข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นก็อาจจะทําให้เราทําได้ยากการเรียนถามข้อที่หนึ่งครับเคยทําบุญ ปีให้กับแม่ที่ลุ้มรับไปแล้วถ้าเราจะไม่ทําบุญปีอีกได้ไหมเพราะเราทําบุญโดยใส่บาตรพระสงฆ์แล้วทิดบุญทุกครั้งแล้วครับได้ข้อที่สองครับเราน้อยใจในการกระทําของญาติเราพูดให้เขารับรู้ได้ไหมครับเพราะเวลาว่างจะมีการนึกการกระทําเขามาตลอดเราใช้พุโทโธพุธโทโธใจก็ยังคิดอยู่ครับไม่ควรไปยุ่ ง, ขงเขานี่ครับเรายอมแล้วว่าเราไปสั่งก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้จะดีกว่า ทายาทเตรมตัวเต็มใจเรารับต่อการกระทําครับแล้วเราก็จะไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปคุยให้สเสนะียเวลาไปคุยกับเขาีเขาก็บอกว่ามันมเรื่องของเขาแล้วเราจะทำอย่างไรวิธีแก้ต้องมาแก้ที่ตัวเราบ่าเพราะมันอยู่ที่ตัวเราคือความอยากของเราเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราควบคุมบังคับสั่งเขไม่ได้เมื่อสั่งเขาไม่ได้เร า, า, นานก็ยอมรับความจริงนี้ปล่อยให้เราพูดไปทําพูดอย่างไรก็เรื่องของเขาไป เราก็จะไม่ถู่กับกลพูดคุยกันขอวิธีดับไฟร้อนในใจครับโกรธแค้นคนที่ทําไม่ดีกับเราต้องทําอย่างไรดีครับให้อภัยอยวไปเฉยเฉยโกรธ้นกันที่ว่าเป็นมนุษย์จะฟันแล้วอยู่ในสังคมยิ่งสมัยยิ่งจะฟันอยู่ร่วมกันก็มาสายกันแล้วกันเรามีการขอบกันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วแต เราจะทำอย <cima> ่างไรในการลดกิเลสตัณหาลงไปเรื่อยๆให้การรักษาศีลห้าสิแปดได้ครับก็เนี่ยแท้บ้างน้อยสัานเดิมก็ช่วยง่ายใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านน้อยสัานเดิดกินน้อยๆใช้เล่นน้อยใช้ของถูกๆมันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปโลภหาซื้อของแพงๆมามาใช้ ดูลมบ้างพุโทโธบ้างจะผิดไหมครับหรือต้องอย่างใดอย่างหนึ่งครับเวลาเ น, นี่ยคนอย่างใดอย่างหนึ่งกราบถามพระอาจารย์ครับคนที่กินเหล้าสามารถจะเข้าฌานได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันเนมน า, าไม่สติขนาด ไ, ไม่กินเหล้าอย่างเข้าไม่สติยังไม่พอเลยแล้วไปกินเหล้ามสติยิ่งลดน้อยลงไ การปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสเสบียงบุญให้บิดาที่นอนติดเตียงไม่รู้ว่าท่านจะจากไปวันไหนทําได้ไหมครับทําไม่ได้ท่านต้องทําอยู่านเองคือท่านต้องเป็นคนสั่งเองแล้วก็ต้องไปเรีนถึงท่านเองท่านถึงจะได้บุญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่ทําให้เป็นทุกข์ทางใจได้ใช้หลักไตรลักษณ์เข้ามาช่วยทําใจอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเราก็กลมกัืนกัน ไ, ได้ บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีแต่ถ้าเรายอมรับผลลัพธ์มันเป็นเรืดด่องส่วนวบุ๋นใส่เรื่อความสามารถของเราที่จะไปหวังอะไรจากมันได้เราก็ไม่หวังอะไรเราก็จะไม่ทุ ก, กบับเหตุการณ์เคยเป็นภูมิแพ้แล้วหยุดหายใจภาวะนั้นไม่รู้สึกถึงตัวตนรู้แต่ว่าว่างแล้วก็มีความสุขมากสักพักได้ยินเสียงเรียกเบาๆแล้วค่อยตังจึงฟื้นขึ้นภาวะนี้คืออะไรครับ เรื่งความสงบเลยตั้งใจจะไปร่วมงานหลวงปูทูลที่ลาชสังขารเผาวันนี้แต่ไม่ได้ไปรู้สึกไม่สบายใจจะทําอย่างไรครับถ้หยุดความอย่างไปบางอย่างทำให้เราไม่สบายใจเมื่อเราไปไม่ได้เราก็อยากไปอยากไปเราก็จะไม่ความไม่สบายใจก็จะหายไป การฟังธรรมรักษาศีลภาวนาระดับบุญเท่ากันไหมครับมันมีต่างกันอี่นี้สองต่างนะรักษาศีลได้ก็จะเป็นประตูวายตายไปก็จะไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นเนรชันเป็นต้นไม่ไปนรกรักษาศีลได้แล้วการนั้นนะรักษาศีลการฟังธรรมก็จะได้ปัญญาการพัฒนาในความรู้ในสัมมาทิฏฐิ ก็มีอนนี้สองตับมันไม่กินมันกินยาตาชนิดต่างๆกินยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดมันก็มีผลตับกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอยากเรียนถึงระดับด็อกเตอร์เพื่อนําความรู้ไปใช้สอนเด็กและเยาวชนแต่ในขณนะเดียวกันก็คิดว่าเป็นกิเลสหรือฉันทะเพราะอยากมีความสงบในบ้านปลายด้วยเลยยังงงกับตัวเองอยู่ครับจะกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับ ไม่ต้องเป็นนักเตอร์มาทำดุลได้ทําการดีได้มาเป็นจิตอาสามาทำอาสาหรือทงานกับดุลพิที่เด็กก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปจบนักเตอร์อะไรนมาทําดุลได้ช่วงปีใหม่นี้ทํางานวางแผนไปเที่ยวกันส่วนใหญ่บอกว่าขอพักเวเคชันบ้างแต่ตัวหนูไม่ได้ต้องการเวเคชันเลยทั้งที่ทํางานในดับหัวหน้า รู้สึกว่าทุกวันก็เหมือนเวทีชันเลยครับรู้สึกเหมือนสงบจึงคล้อยคลายได้พักผ่อนทุกวันตื่นเช้าก็ดูดอกไม้ชมแสงประอาทิตย์อะไรก็เหมือนมีความสุขแล้วครับก็เป็นบูญยองเราล้วเรามีความสุขกรจะเงไปบุญของเราอริยสัจสี่คือหลักธรรมที่สำคัญที่เราสามารถนำมาแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างไรครับก็น่คือการทุกข์ใจ เวลาเราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรนีแ่แสดงว่าเรามีความทุกข์ใจนะครับแล้วเราจะมีเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจแล้วก็ไปค้นหาดูว่าเหตุเป็นเพราะอะไรเช่นบางคนมาปวดเรื่องสงครามบ้างอะไรบ้างมันมีความทุกข์ใจเวลาเหตุการณ์นี้ที่เกิดความทุกข์ใจเพราเราไม่อยากให้มีสงครามเพราะมีสงรามมันก็เลยทําให้เราทุกข์ใจ แต่ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจใหายไปเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราห้ามก็ได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มีสงา์ได้หรือปล่ามันก็ห้ามไม่ได้งั้นก็กประยัดให้มันไม่มีสงฆ์ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลามีสงฆนะ์ทุกสงฆ์ท่านี้ล่ะครัทุกก็คือสงา์ทุกเพราะสงา์ทุกเพราะมีสงฆ์เหตุที่ทําให้เราทุกพวกเราไม่อยากให้มีสงฆ์แต่พอเรายอมรับความจริงแล้วว่าสงา์เป็นสิ่งที่เรา ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นงานิจ่จางทุกข์ขึ้นแลตาแสดงว่าเรามีมากมีมีปัญญาเพราะเรามีปัญญาแล้วก็ละความอยากง่ายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากนี่คืออริยาาสัจสี่ทำมาเป็นสองทีมทีมหนึนสงนน ส, รนสร้างทุกข์อีกทีมหนึงดับทุกข์ทุกสมุทัยให้สร้างทุกข์ขึ้นมาบัางกาบในร่ตนี้เป็นทีมดับทุกข์ พระอาจารย์ครับช่วงเวลาที่บรรลุธรรมจะเกิดเหตุการณ์ในขณะนั้นอย่างไรบ้างครับต้องต้องไปต้องเป็นครับเพราก็กินข้าวอิ่มนะกินข้าวอย่างเป็นจันลึกกับเวลาที่เราหิวรู้สึกว่าชีวิตเหลือเวลาอีกไม่นานสิบถึงยี่สิบปีจะปฏิบัติอย่างไรให้ทันหลุดพ้นในภพชาตินี้ครับถ้าไม่บวชเพราะว่าเป็นห่วงแม่อยู่ครับ แก้ทั้งสมอย่างไม่ได้หรอกแก้ทั้งผลแต่ไม่มีเหตุมันไม่ได้ถ้าเหตุที่ทําให้เกิดผลไม่ดีมันก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติผลมันก็จะไม่เกิดหุดทนไม่ได้ทําไมนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้มันไปวิปัสสนาทุกทีเลยครับมันดีหรือไม่ดีครับปอลล์ระหว่างวันทําสติพิจารุตัวอยู่ตลอดครับแล้วแต่เราว่าเรานั้งืออะถ้านั่งเพื่อความสงบมันก็ไม่ดี แต่ถ้านั่งให้เกิดปัญญามันก็ดีแล้วแต่เราต้องการอะไรในขณะที่เรานั่ขอปัญญาพระอาจารย์ครับเนวสัญญาณาสัญญายาตนะหรืออรูปฌานสี่เป็นขั้นต้นของญาณที่ระลึกชาติได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความสงบความฌานปกยญาณญาณนี้ต้องมีอุปจารสมาธิต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิแล้วจารึกระลึกชาติได้ ส่วนมากชาวต่างชาติเขาถามคำถามเน้นเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดต่างจากคนไทยถามไหมครับผมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับก็ส่วนใหญ่จะถามเรื่องทานสินธนาการคำมูลดังใดรักษาสิเงใดการพัฒนาฝรั่งเขามีมูไหมครับอาจารย์มีแบบถามแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรงี้มีไหมครับอาจารย์ครับส่วนใหญไม่มีครับพวกว่าแต่ถ้าพวกชาเลเซียนบางทีก็ยังมีบางกลุ่มนี้ก็ยังมูอยู่ ไปทําบุญตักบาตรที่วัดเห็นอาหารที่ใส่บาตรมีเยอะมากจนล้นพระท่านฉันไม่หมดครับก็แ บ, บ่งให้โยมรัพระพระตะักส่วนที่ท่านต้องการแล้วส่วนที่เหนือก็ให้โยมไแบ่งรับประทานก็โยมที่มาที่วัดเดชมาราก็ใส่อาหารที่เหน อ, อยู่นี้มาแบ่งรับประทานนั่งสมาธิแบบอานาปานาสติสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับ ไม่ได้นามบาราสตนได้แค่ปาราสมาธิได้แค่ฌานรูปฌรูปฌานสี่การทําบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมควรอธิษฐานอย่างไรให้พ้นทุกข์ครับต้องอธิษฐานมาขอให้ได้ปฏิบัติให้เต็มที่ให้ใหครบมาในบรญเพื่อจะพ้นทุกข์ได้ โอนเงินค่าปัะตาหารเช้าถ้าเราไม่ระบุชื่อนามสกุลเราจะได้รับบุญไหมครับไม่ถีงระบุเชื่ อ, อยังไงไม่ทราบชื่อ ใ, ใครน่าจะชื่อตัวเองไหมครับรอาจารย์ครับแล้วคุณจะไปโอนเงินได้เลยถ้าโอนเงินเข้าต้องรูปเป็นใครไม่เถยงช่วไม่สามารถค้าว่าชื่อใส่บานให้หน่อยอย่างนี้มันก็โอนเงินได้ถ้าเราไม่เบือเชื่อเข้าใจาแล้วเหมือนเดิม ไปจากนั้นไม่มาสมห อ, องงามนี้ได้เบุญได้ไปเร็นทองหลังพระครับอยากทราบว่าถ้าเราใส่บาตรอุทิศไปให้คนที่ตายไปแล้วเอ่ยชื่อนามสกุลอย่างนี้เขาจะได้รับไหมครับถ้ารับรอนรับอย่างก็ได้ว่าดวงวิญญาณแต่ละคนไม่แน่นอนบางทีเขามีบุญมากกว่าเขาก็ไปเป็นเทวดาไม่ต้องมารอรับทุนแต่ถ้าเขามีบุญน้อยอยากจน เขาเป็นโัญญาที่เป็นเปลกเขาก็จะ ม, ม, มาเรารับสมุดได้ไปหาหมอแล้วได้ยามาเยอะแบ่งใส่สังกฐานได้ไหมครับไม่ควรละเพายานี่มันมันต้องคือมัเป็นของเฉพาะเจาะจงคนคนที่กินยาก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องการยานี้ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการแล้วปใสยให้เขานี่เดี๋ยวถ้าเกิดเขากินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ ตไอนกายเขาก็ได้ยังไม่ควรใช้ให้มาฮยาแบบที่เราไม่ที่เราไม่รู้ว่าคนที่เขาเล่านี่ก็ยาไม่ใช้ได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นยาสามัญนี่โอเคอยาอยาล้างแผลยาทําบาดแผล อ, อะไรพวกนี้รักษาบาดแผที่ใช้ไดทั่วไปนี่ก็ถอนยาสามัญได้แต่ถ้าสวายยาลดกวามดันเอยยาลด ไขมันเอ่ยโดยด้วกดอนร่างดว่าเขามีควาดันหรือเปล่ามีไขมันหรือเปล่าก็ถอยท่านถ้าท่านรำคาญยังอาจจะเป็นอันตรายนะกราบถามพระอาจารย์นะคะประการบริกรรมพุทโธขณะนั่งสมาธิต้องเร็วช้าจังหวะอย่างไรครับแล้วแต่ความพอใจของเราเองเวลาเราอาจจะใช้เร็วหน่อยก็ราะคิดมากใช่ใช้เวาเร็วหน่อยเอาเวลาไม่คิดแล้วก็แบบสบายสบาย ก็นะแต่แบบต้องตองบดูความจำเป็นดูสภาพของจิตใจตอนที่เรานว่าเป็นอย่างไรปฏิบัติธรรมได้อารมณ์ละเอียดละเอียดเห็นดวงกลมเป็นสายเหมือนรูปประคหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราไม่อยู่วุฒโธเลเราไ ม, เาไม่เราไม่ได้ภาวนาหรือไม่คนรที่ไปสนใจอันนี้อาจจะเป็นผลรอยไดจากการที่เราทําภาวนาแต่อย่าไปให้ความสําคัญกับมันเพราะมันจะทำให้เราเสีย เสียสมาธิไม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้เราควรจะอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆในทางธรรมเวลามีปัญหากับใครจะให้โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นมันทําให้รู้สึกว่าเศร้าเสียใจที่ตัวเองไม่ดีพอเป็นความรู้สึกโทษตัวเองมันยิ่งทุกข์ครับจะแก้อย่างไรครับก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเป็นเป็นเป็นโทษของเราเป็นไม่ใช่ว่าเราไม่ดีที่เราโทษตัวเองมา้ที่โทษกิเลสของเรา คือโทษความอยากเพราะความทุกขมเกิดจากความอยากเพราะอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เสียใจนั่มันไม่ได้เป็นการําเร็จติดเตียนตัวเราคุณสมบัติของเราเราเราไปําเร็ดติดเตยนตัวเหตุ ท, ที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากของเราเึ่งมีกันทุกคน เรื่อจะมีคนดีมากดีน้อยก็มีกิเลสแบบเดียวกันย่อมมีความอยากเหมือนกันอยู่ไปปฏิบัติธรรมครับตอนลงทะเบียนเขาให้ระบุยอดเงินบริจาครู้สึกสะดุดใจแต่สถานที่สปายะเวลาบวชก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าไม่มีงานจะวางใจอย่างไรดีครับก็อย่าไปครัเนองวไม่ไไมีเงิช้บาะสถานที่เขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่าย ถ้าไม่ระบไว้ก็จะไม่มีค่าจ่ายเพราะว่าไม่สามารถตั้งตั้งอยู่ได้ดังนั้นบางทีาก็จะต้องตั้งกําหนดขึ้นมาว่าตอนช่วยสนับเท่นั้นนะสถานที่แถวนี้นะเพราะมีค่าจช้จ่ายค่าอาหารค่าน้าไปค่าอะไรต่างๆผู้ที่จะบรรลุโสดาบานันต้องรักษาศีลแปดเท่านั้นใช่ไหมครับความจริงไม่ใช่หรอกผู้นี้วันรักษ า, าลโสดาบันต้องมีปัญญาเห็นไตรลักในร่างกาย ใันห้าในการที่จะมี Finnish ปัญญาเห็นตายร่างได้นี้จะต้องมีสมาธิก่อนในการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลแปดก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องการต่อเนื่องแต่ถ้าเราสามารถมีโยตายเห็นธรรเห็นตายร่างไา้โดยที่เราไม่ต้องรักษาศีลไม่อ้องนั่งสมาธิก็อันนี้ก็ก็เป right ็นไปได้การกายาอาจจะเป็นเพราะเรามีศีลอยู่แล้วเรามีสมาธิอยู่แล้วมาก่อนใ น, ในชาติก่อน เร า, าเรก็ไม่มีามจำเป็นที่ต้อมารักษาเสียงมานาสมาธิเมื่อจิตใจเราไม่อบายหาว่างเฉยได้หยุดหยุดความอยากได้แล้วาาญญาา ก, ก็สามารถใช้ปัญญามามาหยุดความอยากก็สามารถบรรลุได้นครับกรเป็นถามครับท่านในแต่ละวันจะมีการกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วเราตั้งสติรับรู้อยู่เรารู้สึกต่อเหตุการณ์แต่มีสติตามรู้และคุมอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้อตอบ แค่รู้ระหว่างยังต้องปรับเพิ่มอย่างไรครับก็ให้ให้ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่า ง, างเรื่องวายาจะทําไม่ได้ก็ได้ถ้ามันกระทบเราแรงหน่อยนี่อาจจะสูญเสียเงินทองไปเรื่องที่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็แล้วแต่เตุการณ์ว่าเราจะทุกกับมันหรือไม่ถ้าเราทุกกับทุกอย่างเราไม่ทุกกับทุกอย่างได้ก็ถือว่าจบ ถ้ายทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นเรืองนี้เราก็ต้องมาทำข้อสอบใหอยากฝึกทับอย่างไรเวลาเจ็บป่วยสิ้นใจจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากครับก็ทําตั้งแต่วั น, นี้ไงฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบให้ได้แล้วพอนั่งสมาธิแล้วเวลามันได้อยู่ในสมาธิก็สองจิตให้ยอมรับความจริงของร่างกายไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรม ก็่าอยากให้ไม่เจ็บไม่ตัดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าหยุดความอยากอันนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของเรื่องใยตอนนี้ทุกใจเรื่องความลําบากของน้องชายใจเป็นทุกข์มากครับจะแก้ไขอย่างไรได้ครับพ่ออยากให้เขาไม่ลําบากเนี่แล้วก็วมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ถ้ามันทําได้แล้วก็ทําไปนานแล้วออก็ยอมรับครับจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ ไปวัดเวลาตรวจน้ําเราไม่ใช้น้ําคนข้างๆถามว่าทําไมไม่ใช้น้ําเราตอบว่ากรวดแห้งโดยไม่ใช้น้ําก็ได้ตามที่พระอาจารย์สอนตอบแบบนี้ได้ไหมครับได้อยากทราบว่าพระป่าพระสายกรรมฐานเวลาเกิดนิมิตท่านเป็นอย่างไรสื่อถึงมิติวิ ญ, ญญาณได้จริงไหมครับถ้าแต่มะมงมะมงถ้ามีพระอาจารย์ศาสนาที่ท่านกติดต่อปวิ ญ, ญญาณได้ ผมได้ไปมีอุปจารสมาธิก็ไม่สามรารถติดต่อกับใครได้ทำงานทางโลกทำยังไงก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรให้ทำงานทางโลกแล้วพ้นทุกข์ได้ครับมันทำเลยไม่มีความอยากไงทํามยินดีตามมีตามเกิดมันจะไม่ทุกที่เจกเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะทํใราทุก ต้างทำแบบไม่มีความยากทําไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีนามธทํ า, ากับรูปธรรมเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับรูปธรรมก็คือร่างกายของเราไงร่างกายเร า, าก็เป็น น, น้ำลมทำมาจาก น, น้ำลมไฟอาการที่สองนี้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนอย่างอาการแ น, นี้นามธรรมก็เกิดขึ้นทุกสึ่งทุกคิดก็ไม่มีตัวตน มันก็เป็นแค่ควรู้สึกนักคิดคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือสอนธรรมะทางออนไลน์มีญาติโยมมาถามธรรมะพระอาจารย์ที่กุฏิบ้างไหมครับก็มีมาอยู่เรื่อยๆจากพงาจึงไม่มากมีคนที่เขรู้จั ก, การก็เราแนะนำกันมาถ้ามีปัญหาก็ก็มาส่าาวนใหญ่เมื่อก่อ น, น, นจะไม่ได้เทนให้ฟัง ไปหาที่กุฏิแล้วก็ไป น, นั่งสนทนากันต่อมาพอมีกองกลุ่มมาเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเลยทั้งมาคุยกันที่ที่ศาลาทค <Okay. S 1> ต่อมาก็เลยมีคนมาจัดการเรื่องขาทอดสดทางเฟซบุ๊กอะไรก็เลยต้องในการกระทําอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวังนนี้เป็นแบบว่าต่อกระไดความโจรไม่ได้วางแผนไว้ให้เป็นอย่างนี้ครับชอบแบบแเดียวนึงอะชอบแบบไม่มีใคราหาเดียวก็สบายาครับ อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ466ท่านนะครับในยู519ในคับ7ในติ๊กตอก399ครับรวม 1,364 คนนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นากา12นาทีครับวันนี้พราอาจารย์ตอบไป126คำถามครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่มนารู้มน้นาทำกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อย าการชำระหน้าธรรมถวายคืนี้ก็คิดว่าพอสมควรจากอาณามาขอให้ท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้แล้พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทาง ย, ง, ยงยิ่งขึ้นไปเทอสาธุก็ข อ, ขอลาคุณหมอแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุหการเข้านันไดอธิษฐานแะล้วคงจะได้พบกันเช่นเคในเวลาเดิมขอจเจริญพร ขอบคุณพระอาจารย์ครับ